อาจารย์ครับการอมาสการครับจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับก่อนเข้าเรื่องสําคัญของวันนี้ครับอาจารย์เมื่อเช้าพระอาจารย์ไปปฏิบัติคนเยอะไหมครับผมเช้านีนประมาณส40 <อ>ี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดเป็นปกติของวันอาทิตย์ปกติ ว, วันเสาร์สามร้อยเก้าสิบกว่าเกือบสี่ร้อย แต่วันขาซาบูชาได้ 1,116 คนโอ้โห 1,116 เอ๊ะอันนี้นิวหายไปกี่แดงไม่น้อยกว่ามอนมาค้ามาค้าที่หายไป 1,250 โอ้ใช่วันมาค้า1 0 1 0ตัวเลขสวยเลยครับตัวเลขพอดีแต่พอวันต่อมาวันเข้าขาษาก็เหลือ700กว่า710เป็นครับผม อ๋อวันหยุดยาวสี่วันนะครับพระอาจารย์อืลน ล, ลงมาตามลำดับครับแล้วตอนบ่ายล่ะครับพระอาจารย์คนไปฟังธรรมเยอะไหมครับวันนี้วันลาบูชาต้องคนั้องละร้อยกว่าคนตอนที่หน้ามือี้ยโ้โหเราแก้ได้เหรอก็ก็ตามอัตภาพนั่งที่พื้นที่ไหน <laughs> เราไม่ได้จัดช่งก็ยังจะไรไว้ก็เป็นแบบ ตามมีตามเกินครับแล้ววันเข้าพรรษาแล้วครับอาจารย์รู้สึกจะสามร้อยกว่าสามร้อยแล้วก็มากม่วานนี้ก็สองร้อยวันนี้ก็ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบลดลดลงมาตามลําดับกลับมาตามระดับปกติ 100, คื <200 S 2> อค้อยสองร้อยนี่ถือว่าเป็นปกติถ้ามากกว่านั้นก็ถือว่าต้องเป็นวันสําคัญ เกิดวิกฤตศรัทธาศาสนาพุทธเลยครับอาจารย์คนไปที่วัดยานกันเต็มเลยวันห้าร right. ้อยคนเลยครับอาจารย์ไม่หรอกก็เกี่ยวแลนวธรรมดาก็มาอยู่แล้วใช่ไหมที่ไหนเขาศรัทธาเขาไปที่นั่นครับไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเราต้องมองมองดูภาพรวมดูกว้างๆอย่ามองแค่จุดสองจุดแล้วก็เอามาตัดสินว่า เป็นความเสื่อมเป็นความเจริญวัดในประเทศไทยมีกี่วัดมีพระกี่แสนลูกแล้วก็มีพระไม่กี่ลูกที่ไปทำผิดพระวินัยมันก็มีเป็นปกติมาตั้งแต่สมัยพระพุท ธ, ธาการอยู่แล้วถึงพระถึงมีข้อบัญญัติเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อคอยคอยปราบพระที่ประพฤติไม่ดี ไม่ให้อยู่ในพระพุทธศาสนาเพรนั้นความทีเราควรจะดีใจว่าอที่มีปรากฏเหล่า น, นี้แสนนดงที่ก็ให้เก็บไว้หลบๆส่อนๆไว้อยู่เหมือนจอนที่ถูกจับก่าจอนที่ไม่ถูกจับเนี่อนะันหน้าอันตรายกว่ากันอจอนที่ถูกจับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปหลอกลวงไปทำร้ายไปสร้างความเสียให้กับผู้อื่นได้ แต่จอที่ยังไม่ถูกจับนี่น่ากลัวกว่าเมื่อไหรจะไปหนอกใครไปทำร้ายใครอันนี้มันก็มันมีมันตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลถึงมีพระวินัยอยู่ถึง227ข้อถ้าพระเจ้าอยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็คิดว่าพระวินัยอาจจะมีมากกว่า100อาจจะถึงพันพัน200ข้อแล้วก็ดนเพราะมันมีเรื่องที่พระ ที่จะทําไม่ดงไม่ดีให้ชาวบ้านเขาเห็นแล้วชาวบ้านเขาก็ไปฟรรมม้องพระพุทธเจ้านะว่าพระรูปนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พระเจ้าก็เรียกมาสอบถามไห่าสวนพอทราบความว่าไม่ดีไม่กวนแล้วก็ตั้งเป็นข้อบัญญัติขึ้นมาสมัสยยุคแรกๆนี้ไม่มีพระมินัยเนะไม่มีพระไมงดีศีลพระมินยันนยศีลปาฏิโมกข์สองยี่สิบข้อไม่มีช่วงที่พุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมระยะแรกๆนี้เพราะมีแต่ผ้ า, าหันปวดกันเั้านั้น พอแสดงธรรมเสร็จปั๊บบรรลุปเป็นพระอารหันต์ก็ขอบวชเป็นพระในในพระพุทธศาสนาพระเจ้าบวชแบบง่ายๆเอฮิภิกุผู้แคนี้จงมาเป็นภิกษุเถิดก็เป็นแล้วแล้วก็ไม่ได้สอนวินัยเพราะเราจะสอนพระอารหรันต์พระวินัยไปให้มันเสียเวลาท่านไม่ได้ทําอะไรผิดนะเอา ม, มาพูดของ่านดีงานตลอดแต่ต่อมาเมื่อมีคน รู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นเปนความเนื้องใสามากขึ้นประชาชนธรรมดาก็อยากจะมาบวชคนที่ยังไม่มีพื้นฐานไม่รู้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็อยากจะมาศึกษามาบวชพวนี้มาพอมาบวชก็ไม่ตอนนั้นไม่มีพระบัญญตัติก็เลยบางทีก็ทําผิดทําผิดแล้วก็ไปมีคนไปรายงานพระพุทธเจ้าก็เลยต้องมาสอบถามแต่ละคำพอสอบถามว่าเป็นการกระทําที่ไม่ควร จะนำความเสื่อมศรัทธามาให้แก่สาธุชนท่านก็เลยบัญญัติขึ้นมาเริ่มจากมีข้อหนึ่งข้อสองง่ายวันนี้มีถึงสอง้อยี่บเจ็ดข้อสองอยิบเจ็ดข้อนี้มันในยุคที่พระเจ้าอยู่นะถ้าพูะเจ้ายังไม่ตายเนะี่ยรับประกันหน้าต้องมีมีมีมีปัญหาอีกเยอะแยะ ซึ่งสมัยนี้ไม่มีใครสามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้ า, จาได้ในเรื่องการบัญญัติพระวินัย응ก็เลยเอาแค่สองรอยิบเจ็ดข้อรักษาให้ได้ก่อนคครับเพน้นปัญหาของความเสื่อามางความเจริญนี้มันอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่หน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ถ้าชาพุทาเราทำตาหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าสงมอบไว้ให้ศาสนาก็จะมีแต่ความเจริญงอกถ้าไม่ทำศาสนาก็จะเสื่อมลงหน้าที่ของชาวพุทธมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็ศึกษาปริยัติธรรมคือการศึกษาศึกษาว่าทำวินัยของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้ทำอะไรห้ามไม่ให้ทำอะไรศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติตาม ถ้าปฏิบัติตามก็จะสามารถขัดเกลีวจิตใจให้สะอ า, าดบริสุดบรรลุมรรคผลที่พ่านขึ้นมาได้เป็นข้อที่สามสัมพอเป็นบะระอรหันต์แล้วก็สามารถทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นต่อไปได้เผยแผ่ธรรมต่อไปให้กับผู้อื่นได้ยุคที่จเจ ร, ริญรุ่งเรที่สุดคือพระพุทธศาสนาคือยุคไหนรนูยุคที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแสดงธรรม ยุคนั้นมีพาาระหลานเนีะแยะไปหมดเลยพระอริยบุคคลแต่แบบเดินชนกันเยอะแบบเหมือนกับเดินบนท้องถนนเจอองค์นี้ก็เป็นพระอริยะองค์นี้ก็เป็นพระอริยยุหนั้เนเจริญมากแล้วต่อมาพระพุทธเจ้านิพพานไปพอพระหลานรุ่นที่ค่อยๆตายไปรุ่นน้องมาก็ความศึกษาการปฏิบัติก็ไม่เข้มข้นเหมือนกับรุ่นพี่ ก็เลยมีพระน้อยลงน้อยล ง, ยลงแล้วในที่สุยก็เสื่อมจากประเทศอินเดียไป mm hmm. เพราะสิ่งที่เจริญไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอริยบุคคลแล้วสิ่งที่มันเจริญแทนที่ก็คือถาวราวัตถุต่างๆ mm hmm. อันนี้ทําเป็นตัววัดความเจริญและความเสื่อมถ้ายิ่งเจริญทางถาวราวัตถุเท่าไหร่อันนั้นสแสดงว่าความเสื่อมมากขึ้นนะเพราะคนไม่สนใจจะปฏิบัติเป็นพระอริยบุคคลนะสนใจที่จะสร้างถาวราวัตถุแทน ของกพอเสริมจากอินเดียเขไปโผล่ที่ศีรษงกาพอเสริมจากศีรษงกาก็มาพโผล่ผลที่ประเทศไทยเราเนี่ยแล้ที่ประเทศไทยเราก็ยังริ่มเข้าอยู่ในยุคเสื่อมแะเพราะอะไรเพราะมีท้าววัฒนวัตถุมาก น, นี้แข่งกันสร้างวัดกันแล้วก็ไม่ได้แข่งเพื่อสร้างวัดเพื่อให้พระนั่อยู่สแข่งเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววันะนี้สวยเป็นเป็นจุดที่เอามาเช็คเอาท์กัน มันยูในเฟซบุ o กบางทีก็มีแนะนำผ้าวัดตา่ตางๆที่สวยงามให้ไปเที่ยวกันไม่ได้แนะนำให้ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมเลยแล้วยิ่งมันจะมันจะมากผลที่พามันจากไงต่อไปก็ไม่มีพระอริยบุคคลที่จะมาทำตัวอย่างที่ดีให้กับอนุชนรูปหนังได้คนที่ไม่ศรัทธาเขาก็จะไม่ศรัทธาคนที่ศรัทธาอยู่แล้วก็จะเสื่อมศรัทธาไปและในที่สุดมันก็คงจะ เือหมดไปอาจจะเป็นเจริญที่อื่นต่อไปอก็ได้ไม่รู้เพราะด้นนี้ก็มีมีการไปเยผยแพร่ตามต่างประเทศตา่ตางๆแต่ก็ไม่คงจะไม่พ้นห้าพันปีแต่โดยหลักก็คือนี่ถ้าอยากให้จัดาศาสนาเจริญนุ่งเนึ่งอยู่เรื่อยๆก็ต้องทำหน้าที่ของชาวพุทธเราต้องศึกษาพระธรรมววในศึกษาแล้วนำออกไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็รบรรลุมารคนนิพพาน มอามาดูแ้วก็เป็นอนิจจบุคคลที่ที่มีเป็นตัวอย่างที่ดีดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจกายก็ทําตัวแรบคุ้นเรียบร้อยวาจาก็พูดทําให้ฟังแบบแล้วแล้วก็เกิดศรัทธาเรื่องใสใจก็สาดบริสุทธิ์ไม่ได้ทำเพื่อลาบลดสักการะทําเพื่อเผยแผ่ก็ทําคำสอนให้แก่โลกเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงบาเพ็ญ อยู่ี่สิบห้าปีหลังจากที่ทรงตัดสัตครเจ้าแสดงธรรมวันสามสี่สามสี่รอบด้วยกันไม่ได้ทําหน้าที่อื่นเลยภูธกิจ5้าของพระเจ้ามีข้อหนึ่งก็คือบินบาบโปรดสสเ น, น้งชีพเน้นบาร์เนงนธรมข้อที่สองตอนบ่ายสั่งสอนญาติโยมคารวะผู้ของด้วยกันข้อที่สามยามค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุภิกษุณีนักบวน แล้วข้อที่สี่ยามดึกก็สอนเทวดาข้อที่ห้าตอนเช้าก่อนที่เราจะบินระบาดเลีงยงทรงอาญหรดอ ว, ว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษใครที่จิตใจพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่อาจจะต้องเสียชีวิตในระยะอันใกล้พระองค์ก็จะทรงไปปล่อยคนนั้นก่อน <c oughs> นี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสนุพรพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียว ม, มีไม่ในหนักฐานว่าพระเจ้าได้สวสร้างวัด น, นั้นวัด น, นี้ไม่มีมีแต่ศรัทธาที่มีกําลังทรัพย์เช่นพระราชามาหาการะสานมหาเศรษฐีก็รู้ว่าพระเจ้าจะจะไปประทับที่นั่นที่นี่เขา่าสร้างวัดไวไ้ไว้รองรับเสด็จพระลาที่ท่านมาอย่างนี้แต่พระเจ้าไม่เคยเน้นเรื่องการสร้างถาวนวัตถุเลยเน้นแต่สอนธรรมะอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่ง วาจากขั้งสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไปท่านก็ใช้สอนโย น, นสังขารในของไม่เที่ยงนะมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดาจงทําประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ได้ส่งสอนว่าให้สร้างโบวถเยอะๆสร้างเจดีเยอะๆนะแต่ให้ทําประโยชน์ให้กับตนเองประโยชน์ตนก็คือวิมุตติหมดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวดเมื่อพ้นแล้วก็สามารถไปทํา ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปได้สั่งสอนผู้อื่นต่อไป <c oughs> นี่แหละคือคือเหตุของความเจริญเรื่องของความเสริอของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การทําหน้าที่ของชาวพุทธยราดง <c oughs> นั้นก่อนที่เราจะไปชีด้ด้วยคนนั้นคนนี้เราชี้นิ้วกลับมาดูที่ตัวเราก่อนเราทําหน้าที่ของเราหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ไม่ได้ว่าใครเนะี่ยแต่เราชอบชีน้นิ้วเนื่องเรามชอบชี้ออกไปข้างนอกใช่ไหม มันไม่มันไมชี้กับเข้ามาที่ตัวเราเวลาเวลาจะว่าใครเราจะใช้นิ้วเราเชี่ยวแต่ไม่เคยชี้กับมาหาที่ตัวเราเราไม่ดีนะเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติเลยแล้ว <c oughs> เราจะไม่หวังพึ่งใครพระพุเจ้าบอกอัตตาเหตุทันโนนาเถตอนเป็นที่พึ่งของตอนผู้อื่งก็เป็นเพีงแต่เป็นผู้สั่งสอนเราได้ทั้งแห่งก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทัานเปนเพีผู้มีหน้าที่สั่งสอนเราแต่ผู้ที่จะทําให้เราหลุดพ้นผู้ที่จะทําให้เราเจริญนี้ก็คือตัวเราเองเองไม่ใช่คนอื่นคนอื่นจะเจริญหรือเสื่อมก็ไม่สามารถมาทําให้เราเจริญหรือเสื่อมตามเขาไปได้เราให้มีพระสื่ออีกร้อรูปมันก็ไม่สามารถมาทําให้เราเสื่อมได้ถ้าเราถ้าเราไม่เสื่อมเราให้มีพระอาหารหันต์มาปรากฏเป็นร้อยรูปแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราประพฤติผิด แล้วก็เสริมได้ครั <c oughs> บพยายามมองกลมาที่ตัวเราให้มากกว่าไปมองคนอื่นเรามาักจะเรงยนกิเลสมไม่ชอบให้เรามองตัวเราเองมันชอบให้เรามองคนอื่นมองแล้วก็ไปหาจุดบกพร่องของเขาแล้วก็เอามายกเป็นประเด็นสำคัญพระเจ้าบอกว่าคนเรานี่ยชอบเวลามองคนอื่นเนี่ยถ้าความผิดของคนอื่นเนี่ยแม้ถ้าเป็นทงทุเล ก็เป็นผงทุเรศก็ไปเหมือนกองภูเขาแต่ถ้าความผิดของตัวเองไมะเท่ากับกองภูเขาก็เห็นได้ว่ามันเป็นแค่ผงทุเรศนั่นเองนี่แหละคือปัญหาของพวกเรานั้นก็อยากจะให้สติว่ารับรู้ได้ข่าวสารต่างๆแต่อย่าลืมมองตัวเองว่าเพียรคอยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจนกระทั่งลืมวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง การวิพากวิจารณ์คนอื่นไม่ได้ทําให้เราได้รับประโยชน์จากการวิพากวิจารณ์เขาหรอกเป็นด่าเขาไปว่าเขาเราไม่ได้ประโยชน์อะไรด่าเราว่าเราดีกว่าเออเราไม่ดีนะเราไม่รักษาศีลนะเรายังกินเหล้าเมายาอยู่อย่างนี้เที่ยว ส, สัมภเวษีเมาอยู่อันนี้คนจะว่าตัวเราเราปรับปรุงตัวเราเองให้มันดีขึ้นจะดีกว่าดีกว่าไปว่าคนอื่น <c oughs> อันนี้เทีหนักเลยในะวันนี้ ดีเลยครับได้ปัญญามากเลยครับอาจารย์แต่เรื่องเจริญน่าเสื่อมมันเหมดของคู่กันเนยเป็นโลกกระทำมีเจริญก็ต้องมีมันมีเสื่อมไ ด, ได้วันได้วันหนึ่งไม่ช้าก็แล้วพระเจ้าถึงมี <c oughs> รพยากรแล้วศา ส, สานาจะเสื่อมบวดไปภายในห้าพันปี <c oughs> มีอีกเรื่องนึงครับพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนผมครับเขาไปบวช เพื่อจะเข้าพรรษาเนี่ยครับอาจารย์แต่พอบวชไปสักวันสองวันเนี่ยก็รู้สึกอยากจะศึกแล้วครับอาจารย์ก็เลยอยากจะขอปัญญาจากพระอาจารย์ว่าจะรักษาความเป็นพระให้อยู่ตลอดในพรรานี้อย่างไรครับอาจารย์ครับคำสอนสำคัญของนักบวชใหม่เวลาบวชนี่อุปราชต้องสอนอก็คือกรรมาฐาน5 เกษาโลมา น, นขาดันตาตาโจคือคลองเป็นเป็นเป็นความรู้ที่ป้องกันให้ไม่พาสศึกกันก็กือให้พิจารณาอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเริ่มต้นด้วยการพิจารณาห้าอาการก่อนเพราะว่าเวลาบวชนี้ไม่มีเวลาที่จะสอนทั้งครบทั้งสามสิบสองอาการก็เลยสอนแบบแบบสรุปก่อนวนะ่าเธอต้องเอา เธอบวชแล้วเธอต้องพิจารณาร่างกายทุกวันนะเอาพิจารณาเกษาโลมานะขาดันตาตาัดโจทุกคนที่มาบวชนี่ต้องต้องเรียนกรรมาฐานท่ากันทุกคนแล้วเวลาไปบวชแล้วบวชเสร็จแล้วก็ต้องพิจารณาให้มันครบอาการสามสิบสองต้องหมั่นพิจารณาอยู่นิ่งเดียวให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามใช้ของคนส่วนให ญ, ญ่ที่จยากจะเสกหันเอยากจะไปเสพกางกันใช่ไหม ความเป็นทาสเสจไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเห็นอสุภาแล้วความอยากจะเสกกามมันก็หายไปเพราะไม่มีความอยากจะเสการรมมันมจะเสกไปทำไมอยู่เป็นทาสสบายกว่างานก็ไม่ต้องทำํำข้าวก็ฟรีบ้านก็ฟรีอะไรก็ฟรีหมดแต่ทําไมต้องไปเสกกันเพราะไอ้การมการมราคะตัวนี้เป็นตัวที่ผลกันให้ไปเสกกัน งั้นบอกเพื่อรีบไปศึกษ า, าการสารสิบสองนะแลพิจารณาทั้งวันทั้งคืนดูแล้วรับประกันได้ว่าอาการที่อยากจะศึกนี้มันจะหายไปี <Okay. S 1> อ, อีกอย่างก็ที่สงสารให้พิจารณาก็คือเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัฒนาจากการเป็นธรรมดาถ้ามีกรรมฐานเหล่านี้เ ป, น เ, ปน เ, ปนเป็นเป็นเป็นเป็นอาจารย์อยู่คอยสอนใจอยู่แล้วรับประกันได้ไม่รู้จะสึกไปทำไม สร็จไปแล้วเดี๋ยวก็ตายไปเป็นใหญ่เป็นโตได้ราบยศเสริญเสริญอยู่เดี๋ยวในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปถ้าอยากจะไปมีครอบครัวมีแฟนก็พิจารณาการาที32ยูเห็นอาการ32แล้วก็ไปหาอาการฐาน32มาเป็นแฟนนะครับหาโคกระดูุมาเป็นแฟนเวลาเราได้แฟนมาเราได้โคกระดุของแฟนด้วยป่ะแต่เราไม่เห็นกันนะเราไม่มองกันนะ รามองแต่หน้าตารูปร่างหน้าตาผิวหนังนี่แต่เราไม่มองทะลุเข้าไปข้างในยังถ้าอยากจะกครองผ้าเหลืองต่อไปก็ต้องพยายามศึกษากรรมฐานอาการสามสิบสองนี่เป็นอาวุธสำคัญในการปกป้องเพศของพรอาจรรันร์นยพระพุทธเจ้าถึงบังคับให้พระอุปชาชที่บวชให้นี่ต้องสอนกรรมฐานห้าก่อนแต่จ่อนที่มาหมายก็คือให้สอนกรรมฐานสาสิบสองนี่ค แต่ว่าเวลาทํำพิทีสาสิสองมันอาจจะท่องกันยากอาจจะไม่ไม่บวชกันเลยก็ได้ imagine, เพาะต้องมาท่องการทาที่สองก่อนก็เราแค่ง่ายๆก่อนเราแค่ห้าอาการก่อนเกสรลมานั <y <y ่งาดันตาตัดจผมขนและฟันหน่งนะอนุโลมแล้วก็ปฏิโลมกลับมาให้เรียนรู้ความความพิธิของร่างกายว่าสวยงามแลือไม่สวยงามแ้าเห็นครบทั้งอาการสาสิสองแล้วก็ ก็ไม่รู้จะไปศึกไปหาเลยศึกไปหาก็ดูศึกไปหาตับตายไส้พุงศึกไปหาอาหารใหม่อาหารเก่าไม่เห็นกันไม่เห็น ก, การสรามสิบสองกันเดี๋ยวมีเพื่อ น, <ค>นมาเปิด<ะ>ให้ฟังรครับเออบอกว่าคุงจะไม่ศึกลแล้วจะยอมพิจารณาหรือปล่าเท่านี้มันที่จิตมึงมันต่อต้านกิเลมันต้านไม่ยอมให้พิจารณา เขาไม่อยากจะพิจารณาแล้วครับคุณดาครับบอกว่าช่วงนี้มีข่าวพระผู้ใหญ่กับสีกาทําให้หลายคนไม่อยากทําบุญหรือกราบไหว้พระกันแล้วครับแต่ขอพระอาจารย์แนะนําว่าเราจะเลือกพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะทําบุญกราบไหว้ได้สบายใจอย่างไรครับก็เหมือนเวลาเร า, เราซื้อล่นซื้อล่นเราไปซื้อคันไหนเลยหรือเปล่า เราก็ต้องไปศึกษาว่ารถยี่ห้อนี้เป็นยังไงยุ่นนี้เป็นยังไงแร้านที่ขายรถยี่ห้อนี้ไว้ใจได้เชื่อใจได้หรือเปล่าก่อนแล้เราค่อยไปซื้อรถการทขวัดไปหาพระก็แบบเดียวกันเราก็ต้องไปศึกษาว่าพระวัดนี้เป็นยังไงหลวงพ่อวัดนี้เป็นยังไงท่านมีจริยาวัดที่สวยงามหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ เมื่อนกับการซื้อของเอาไปซื้อของเราไม่ใช่หลับตาซื้อใช่ไหมเข้าไปรานไปรานก็หยิบอะไรมาก็ได้ไม่ใช่เราก็ต้องเลือกดูเลือกดูของนี่มีคุณภาพหรือเปล่ปาไปซื้อผลไมล้บางทีเรายังเลือกกันเลยเออลูกนี้มันมีตํำเนร์ลูกนี้มันเน่ามันเสียหรือเปล่าเราก็เลือกออกเลือกเอาแต่ผลไม้ที่ดีไปงั้นการไปกพระนี้ก็เหมือนกับการาพาเข้าไปหาอาจารย์หาครูบาหาอาจารย์ มาเป็นผู้สั่งสอนเราเราก็ปเป็นเรื่องดูเอาว่าองค์ไหนท่านศึกษาประวัติของท่านท่านปฏิบัติกับใครศึกษากับใครแล้วคำสั่งคำสอนของท่านเป็นยังไงคันรักทาคําสอนของพระเจ้าหรือเปล่ามันก็ต้องมีการศึกษาทั้งนั้นแหะซื้อทองก็ยังต้องศึกษาไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปซื้อทองน้านไหนก็ได้มันก็ต้องรู้ว่าร้านนี้มีใบ ป, ประกันหรือเปล่า เดี๋เป็นได้ทองเก๋อพราก็มีพระปลอมพระจริงก็มีฉนั้นเวลาจะหาซื้อของก็ดีซื้อพระก็ดีเราก็ต้องไปศึกษาให้มีความมั่นใจกับวันนี้เป็นพระแท้มีท่านคุณเบญจพรถามมาบอกว่าทำบุญแบบไหนศาสนาจะไม่เสื่อมครับอก็นี่น่ะศึกษาปฏิบัติธรรมไง ทำมือแค่ถวายปัจจัยสี่ก็พอสําหรับพระพภิกษุพระภิกษุต้องการแค่ปัจจัยสี่คือเนี่ยอาหารมินตบาทผ้าจีวรไว้สำหรับนุง่งห่มกุฏิไว้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคสิ่งนี้คือสิ่งที่จําเป็นของพระภิกษุที่จะต้องมีนราจากนั้นไม่จําเป็นเราไปถวายท่านแล้วเราไปถวายท่านเอง ในบางทีท่านก็มีคารลมดีพูดใจกระทั้งเราหลงเชื่อว่าเอาท่านมาจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยสนับสนุนท่านนะความจริงสิ่งที่จะเป็นกับพระภิกษุก็มีแค่ปัจจัยสีเองแต่ถ้าจะทำบุญเพื่อตัวเราเองเนี่ยควรจะทําด้วยการศึกษาในการปฏิบัติเพราะว่าเราทำบุญให้กับพระนี้แล้วเราได้อย่างมากก็แค่สวรรค์นั่นเอง ไดไ้ไปเกิดในสวรรค์ที่เกิดจากการทาบุญทำทานของเราและการรักษาศีลของเราแต่ถ้าเราอยากจะไปมร่คานไปหนุดพ้นเราต้องไปศึกษาและปฏิบัติคุณมาริสาบอกว่าหนูเคยคิดว่ า, าศาสนาไม่เคยเสื่อมแต่จิตใจต่างหากที่ตกต่ำเลยขอความเห็นพระอาจารย์ครับจิตใจมันต่ำอยู่แล้ว ไม่เข้าหาศาสนามันก็เลยไม่ขึ้นสูงหรือเข้าหาศาสนาแต่ก็เป็นข้าหาแบบทัพพีในหม้อแกงรู้จักทัพพีในหม้อแกงนะทัพพีมันอยู่ในหม้อแกงกี่กี่วันกี่เดือนมันก็ไม่รู้ว่าหม้อแกงเป็นยังไงคนที่มาบวชแล้วไม่ศึกษาไม่ ป, มมามาปฏิบัติก็เป็นเหมือนพวกทิศทัพพีในหม้อแกงถ้ามโบวชแล้วก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติคนที่เข้าวันถึงมันจะไม่บวชก็ตามก็ต้องศึกษาและปฏิบัติ ถึงจะ ย, ย, ยกระดับจิตใจใสูงขึ้นมาได้จิตใจของพวกเราทุกคนต่ำทั้งนั้นนะเราต้องอาศัยศาสนาเป็นตัวเดิมให้เราขึ้นสูงนถ้ามีปัญหาเราจะใช้อะไรก่อนครับระหว่างสติหรือสมาธิเ็าถามอย่างนี้นะครับอาจารย์คือสติกับสมาธิมันตัวเดียวกันนะคือสติกับสมาธิก็จะทำให้จิตสงบชั่วคราว ปัญหามันก็จะหายไปเชื่อขา่าวเพราะปัญหามันเกิดจากตันหาความอยากของเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้ใจใจเราก็ทุกข์เครียดขึ้นมาวิธีเยือนะล้ครับความเครียดความทุกข์ก็เกิดใช้สติบริกรรมพุทธโทธพุทธโทธไปจนจิตสงบเป็นสมาธิจิตแคหยุดคิดถึงเรื่องกปัญหาหยุดความอยากความทุกข์ใจเครียดความเครียดก็หายไปเชื่อขา่าว แต่ถ้าอยากจะแก้ปัญหาอย่างถาวรหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์อยู่ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นไปเป็นไปได้หรือเปล่ามันอยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะสั่งให้มันเป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใครสั่งไปมันอยากได้มันก็ไม่ได้ยากแล้วก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรา ไม่สามารถที่ยาวได้เราก็ยอมรับความจริงนะอยาไปรยากได้มันอยาไประหยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจเราก็จะหายทุกเล่นแชร์ออนไลน์ครับโดยที่เรารู้ว่าเท้าเปิดเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดและเสี่ยงสูงที่เท้าจะบินแต่ดอกสูงเลยเล่นอย่างนี้ผิดศีลข้อสองหรือเป็นบาปไหมครับ มันโง่มากกว่ า, า, าไม่เห็สิ่งข้อสองแล้มัโง่ความโลภของเราเนี่ยมันถูกให้เขาเขาเอาเอาความโลภของเราเนี้ยมาเป็นเหยื่อมันล่อเหยื่อแเราถ้าเราไม่โลภสักอย่างแล้วมันไม่มีทางที่จะหลอกเราได้แล้วนั่งสมาธิแล้วเหมือนบังคับลมหายใจครับจะมีวิธีแก้แบบใดบ้างครับนตอนไม่นั่งสมาธิเราบังคับหรือเปล่าสังเกตดูตอนนี้เราบังคับ เราหายใจแล้วก็ไปไม่ได้บังคับใช่ ก, ก, ก็ก็ทําแบบตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเพียงแต่เราดูลมเฉยๆเท่านั้นเราไม่ไเลยไปบังคับลมเพราะว่าเราก็บังคับมันไม่ได้เวลามันจะหายใจเข้ามันก็หายใจเข้าเวลามันจะหายใจออกมันก็หายใจออกอยู่แล้วแล้วไม่ทราบว่าคุณไปบังคับมันทําไมไปบังคับมันอย่างไรมันไม่น่าจะต้องบังคับกันน เราเพียงจะดูมันได้แต่ถ้าเราดูลมไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีอื่นเพราะอาการ32ก่อนจะได้ถ้ า, าอาการ32หรือทั้งบชทชุดทั้งบทแผ่นไม่ตา ก, ก็ได้หรือทั้งบทอ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธา น, นสาาุสติธรรมานุสสุสังวรนุสติก็ได้เพราะว่าจริตเราอาจจะไม่เหมาะกับการดูลมหายใจในเบื้องต้นเพราะสติเรายังออก ไม่สามารถควบคุมใจเราได้พอเราดูลมแล้วเราก็เกิดอาการอย่างที่เป็นอยู่ก็ต้องอย่าไปดูลมก่อนมาทําใจให้มันมีสติให้มันมีความสงบมากขึ้นก่อนนี้ก่อนด้วยการสวดมันตไปก่อนหรืใช้คำวิริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนก็ได้จนกว่าเราจะรู้สึกว่าใจเราเย็นสบายขึ้นป่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็ลองหันดูลมต่อไป น้องชายจบปริญญ า, แ ต, งงา แ, ตแต่งงานการแต่แต่ว่างานการไม่ทําเบียดเบียนพ่อแม่อย่างนี้เป็นวิบากของใครครับก็การกระทําของเขาก็เป็นวิบากของเขานะเขาทําไม่ดีเดี๋ยวก็ต่อไปพ่อแม่ตายเขาเขาก็จะเขาก็จะเดือดร้อนเอง อายุ53นะครับเตมเกษียณตั้งใจจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่พอดูข่าวแล้วก็กลับมาทบทวนว่าจะอย่างไรต่อไปครับอาจารย์ก็มันมีว่าทั้งเยอะแยะที่คนนึ่งเขาไปปฏิบัติธรรมกันได้ไม่ใช่เป็นเราก็ต้องอย่างที่พูดนะจะทำอะไรก็ต้องศึกษาดูก่อนเราไปเที่ยวเรายังต้องศึกษาเลยต้องถามบริษัททัวร์เลยว่าที่เราจะไปเที่ยวนี้มีอะไรบ้าง ดีไม่ดีอย่างไรมีที่กินที่อะไรอย่างไรอาหารเป็นอย่างไรทุกอย่างที่เราจะทํำเราก็ต้องศึกษาวางแผนกันกันก่อนทั้ง น, นั้นว่าที่เรามีเป็นข่าวเราก็อยับไปแต่นั้นก็จบนะะวันไหนที่ไปข่าวมันก็มีแค่กี่วัดเจ็ดแปดวัดเนี่ยนะก็มี ว, 7, วัดที่เหลืออยู่อีตอกต้องเยอะแยะเราก็ไปเลือกวัดที่ไม่เป็นไม่เป็นข่าวไม่มีเรื่องก็ได้ พระที่หวันไหวไปกับสีกาเป็นเพราะพวกท่านสมาธิไม่มั่นคงใช่ไหมครับท่านไ่จเจริญกรรมาฐานสามสิบสองอาการสามสิบสองกันท่านเห็นแล้วเห็นการเป็นของสวยของงามไปเห็นนัางกายแล้วก็เห็นว่าเป็นสวยงามไปถ้าจะนาอาการสามสิบสองมันเห็นที่ไรมันก็เห็นโครงกระดูก ท, ทุกครั้งไปแล้วมันจะสวยงามที่ตรงไหน เลี้ยงไก่ขายเป็นบาปไหมครับคือเราเลี้ยงยังไม่บาป เ, เพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าเขาแต่นั้นถ้าเราเลี้ยงแล้เพื่อขายคนหนึ่งเข้าไปฆ่านี่มันก็ไม่ควรสนับสนุนอาชีพแบบนี้เพราะเป็นการช่วยการสนับสนุนการฆ่ากันให้ทําอาชีพอื่นในการขายยาดีกว่าขายเสื้อผ้าดีกว่าเป็นหมออย่างนี้เป็นพยาบาลอย่างนี้ อ, นอาชีพที่ที่เป็นบุญเพราะว่าได้ช่วยเห่ืผู้ เชื่อเหียมเพื่อนมานร่งดียกันสมัยพุทธกาลมีเรื่องเฉาระหว่างพระกับศรีกาบ้างหรือไม่และพระพุทธเจ้าจัดการกับเรื่องแบบนี้อย่างไรครับอันนี้น้อก็ไม่ได้ศึกษาะ ล, นะละเอียดนะแต่ก็แม้กระทั่พุทธเจ้าก็ถูกศรีกามาอ้างว่าทำให้เขาทองพระตินด้ยินได้ฟังมามันก็มีมาตั้งแต่ยุคสมัยพุทธกาลอยู่แล้ว พระอาจารย์ถึงสอนว่าระวังอย่าเข้าใกล้สีกาสีกาที่ร้ายก่ดเสือครับเ <Hey, top. S 1> สือกัดกด็กัดตายแค่ร่างกายแต่ไม่สามารถทําร้ายทําให้ผ้าตายได้แต่พ้านี่จะถูกเสือสีกากัดตายได้ที่ต้องเสือกันเนี่ยก็ตายจากการเป็นผ้ากันยังไงครับ <Okay. S 1> อพระเหมือนก็เลยถามพระพุทธเจ้าถ้าถ้าจะต้องเจอเพาะสีกาจะให้ปฏิบัติยังไงก็ ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าพูดอะไรอย่ามองเขาถ้าจําเป็นต้องมองก็อย่าไป ม, มองหน้าเขาถ้าต้องพูดให้พูดแค่สั้นๆคำสองคาไม่พูดเกินคําำถ้าไกล้จบตรงนั้นท่านกันไว้หมดแล้วนะครับอาจารย์ากาันไปแล้วแต่ไม่ฟังกันเองเดือด ทุกวันนี้เราเสพคุ้นกับความไม่สำรวมในวัดโยมว่าคนสมัยก่อนเขานิดนึงก็ไม่ได้เพราะเขาระวังกันเป็นอย่างนี้จริงไหมครับพระอาจารย์ยิ่งอะไรนี่เขากลัวบากนะแม้แต่ชาวบ้านที่ต้องขนสายเข้าวัดก็เพราะว่าคิดว่าเวลาเดินออกจากวัดนี่เอาสายอาายอกจากวัดไปด้วยไม่อยากจะเอาอะไรจากของวัดไปเลยมีแต่อยากจะให้วัดอย่างเดียว ว่เาเขาลบวัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่จะให้ความรู้ต้องทำรื้บำรุงรักษาไม่ใช่มาฉกฉวยหาผลประโยชน์จากวัดกันทำอย่างไรเมื่อใจมีความโกโรธจะรู้ทันและจะแก้ไขยอย่างไรครับก็ต้องฝึกสติให้บ่อยๆขึ้นให้มีมากขึ้นถ้าเรามีสติเราก็จะรู้รู้เร็วขึ้น ถ้าพอรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ใช้สตินะครับมันได้ฝากอาหารไปทําบุญอย่างนี้เราได้บุญด้วยไหมครับถ้าอาในของเราเราก็ได้บุญเคนที่เขาเอาไปนี่เขาได้บุญไม่ได้บุญที่เกิดจากการถวายอาหารเขาได้บุญจากการที่ช่วยเราเอาอาหารไปถวายให้เราอ่ ทานที่เราให้ของนี่เป็นของเราเขาไม่ได้บุญส่วนนี้มีคนบอกว่าพระที่ดีคือพระพุทธรูปอย่างนี้จริงหรือเท็จครับอาจารย์ไม่จริงเหรอพระพุทธรูสอนเราไม่ได้พระพุทธรูปก็เป็นแค่แค่วัตถุอย่างหนึ่งเท่านั้นพระที่ดีก็คือพระสุ ป, ปฏิปันโนอุชุยาญญาสามิจิปฏิปันโน คือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่บรรลุไปแล้วมรรคผลที่ผ่านเนี่ยเป็นพระที่ดีการให้อาหารปลาอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้เป็นทานอย่างไรอันนี้จักหนุ่มน้อยนะครับหลวงตาครับคุณยายฝากถามฟังข่าวเรื่องพระรู้สึกเสียใจและปวดมากๆ รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยจะทําใจอย่างไรดีครับพอมีพักสึกทุกวันนะโยมพักบวชสามัญก็สึกก็มีบวชอาเทนหนึ่งสึกก็มีไม่เห็นเป็นข่าวเลยพอพักบวชนานๆมาสึกก็เลยกลายเป็นข่าวเท้นเองงั้นทำใจเถอะว่ามีการบวชมีการสึกในศาสนานี่เป็นเรื่องธรรมดาขอโอกาสครับเวลาอื่นๆที่ไม่ใช่นั่งสมาธิ สามารถพิจารณาได้ไม่จำเป็นต้องรอว่าได้ฌานก่อนถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าพิจารณาแล้วจะตัดได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ต้องรอจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงพิจารณาครับใช่สามารถพิจารณาได้แต่จะดับความทุกข์ได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่กำลังของจิตว่ามีสมาธิมากน้อยเท่าไหร่ถ้ายังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาถึงแม้จะรู้ว่า ที่ทําให้ใจเราเท่าคือตัณหาความอยากเราก็ยังหยุดความอยากนั้นไม่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะงดทานเนื้อสัตว์ตลอดเข้าพรรษาสามเดือนแบบนี้เป็นการสร้างบุญได้จริงๆริงไหมครับไม่ได้บุญหรอการการไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไม่ได้บุญถ้าท้าได้บุญพวกวัวควายก็กินหญ้านี่มันก็ได้บุญนะการไม่ฆ่าสัตว์ต่างๆที่ถึงจะได้บุญ การกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วนี่ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปแต่อย่างใดเราจะทำอย่างไรต่อการที่จะศรัทธาในตัวพระสงฆ์โดยมีข้อกังขาว่าจะเป็นพระดีหรือไม่ดีเราต้องวางจิตอย่างไรถึงจะไม่รู้สึกขัดกับความรู้สึกภายในใจครับคาวรูเสียงนี่มันเกิดขึ้นเฉพาะช่วงมีข่าวนะนะเดี๋ยวพอสักพักก็ลืมนะ มันมีข่าวช้ามาจนทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีปฏิจจัยนี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เลือนันไปก็ไ <não> ม่รู้จะว่ายังไงก็เลือกเอาอในอย่างที่บอกว่าพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีเมื่อเรารู้ว่าเขาไม่ดีเราก็อย่าไปกราบเขาแล้วก็อย่าไปทําบุญกับเขาเท่านั้นเองแล้วก็ไปหาพระที่ดีไม่ใช่ว่าพอมีพระไม่ดีปรากฏขึ้นมาแล้วทําให้พระอื่นๆนี้กลายเป็นพระไม่ดีไปหมดมัน ไ, ไ, ไ, ไม่ได้เป็นอย่าง อาจจะมีไม่ดีอยู่ซ่อนอยู่ก็ได้ครับอันนี้ก็ยอมรับแต่เรายังจับไม่ได้อย่างที่บอกโจนที่เรายังจับไม่ได้นี่น่ากลัวกว่าโจนที่เราจับได้แล้วเราก็ต้องระมัดระวังอย่าหลงอย่าหลงเชื่อแบบง่ายๆต้องใช้ปัญญาต้องใช้ระิเคราะห์หลายอย่างด้วยกันก่อนก่อนที่เราจะไปทําบุญที่ไหนสอบถามเพื่อนก่อนสอบถามชาวบ้านก่อนว่าเป็นยังไงวันนี้พระเป็นยังไง กับเรียนพระอาจารย์ครับมีคนเคยวิจัยครับเพราบอกว่าเวลามีข่าวขึ้นมาจะเป็นข่าวอยู่ประมาณสิบเอ็ดวันครับระอาจารย์นานๆกันหนเลยกลัวไปแ้่ประมาณสือดวันนั่นเองาจะขาควรทิ้งหายไปครับควรใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ที่นั่งเก้าอี้บิณฑบาตตามหน้าตลาดหรือไม่ครับมันก็แล้วแต่เหตุผลอะถ้าท่านเดินไม่ได้ท่านนั่ง อย่านี้ก็แล้วถ้าไปเล่นน้างเพื่อที่จะเวียนเทียนถ้านั่งเพื่อที่จะรับอาหารเพื่อจะได้กลับไปวัดนี้ก็ก็ให้ได้แต่ถ้านั่งเพื่อเวียนเทียนนั่งอยู่ข้างๆร้านแม่ค้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบของของขอ ง, ของร้านแม่ค้าแม่ค้าทำกับข้าวแล้วก็ใส่บาให้โยมยกพอพอโยมไปก็เอาข้าวนี้ให้แม่ค้ากลับมาขายใหม่ก็เปลี่ยนหน้ากับเงินถ้าอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะใส่การที่เราโดนหลอกและเสียทรัพย์ เป็นกรรมของเราใช่ไหมครับก็เป็นความโง่ของเราแล้วเป็นอาจจะเป็นเป็นเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราไม่สามารถป้องกันได้เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกเรารือเปล่าจะรู้ก็ตอบเมื่อถูกเขาหลอกนะการสวดมนต์จะต้องสวดค่อยๆหรือสวดดังๆครับและมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรครับถ้าสวดมนต์แบบไม่ออกเสียงน่าจะได้ประโยชน์ก เพราะเราต้องการที่จะกล่อมใจให้สงบโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายส่วนเพราะถ้าร่างกายส่วนนี้ใจจะไม่สงบเท่ากับการส่วนในใจผู้หญิงคนเดียวที่มีรสนิยมในทางเสื่อมเสียกับพระหลายๆรูปถือเป็นโรคจิตไหมครับอาจารย์เป็นสมเป็นี้มากกว่านวันนี้ก็หาเงินวิธีหาเงินหาเงินแบบไฮโซคนที่ฉลาด ก็มีวิธีการหาแบบไม่ต้องมไม่ต้องมายืยนข้างถนนตอนในยามค่ำคืนก็มีวิธีหาเงินมิมีเงินที่จะหาได้ง่ายกว่าแลว้วรูวิธีเข้าถึงด้วยเขาฉลาดเป็นสวนเปนีที่ฉลาดบังเอิญไปได้ยินลูกพูดคำว่ากูกับแม่เพราะความโมโหอย่างนี้บาปมากไหมครับก็บาปนะ ที่พูดวาจาไม่สุภาพต่อบุพการีก็ต้องคอยสอนเขาก่อนตอนที่ก็ยังเด็กอยู่สอนเวลาเขาพูดไม่ดีก็สอนเขาแต่ก็อย่าพูดนะคำอย่างนี้มันเป็นบาปต่อนหนูจะมีมีโทษกับหนูต่อไปเนี่ยคนที่เขาเราไม่ด่าเขาเองเขาอาจจะโกรธเราทุกตีเราก็ได้แต่พ่อแม่ก็รักเราก็ไม่ถือสาเรา การที่เราทําบุญกับพระมาแล้วมารู้ทีหลังว่าพระองค์นี้มาบวชเพื่อจะหลอกหาเงินแล้วที่ทําไปเราได้บุญไหมครับได้ก็มันอยู่ในใจเราไงทําไปแล้วเรามีความสุขใจเอ็ในใจมันก็มันก็ยังอยู่ในใจของเราต่อไปหน้าที่ชาวพุทธที่ดีควรจะทําให้ครบทั้งทานศีลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาใช่ไหมครับถูกต้องเป้าหมายก็คือต้องการให้บรรลุมรรคผลผนิพพาน มันก็ต้องทํำนั่งดัตทานศีลภาวนาพัฒนาไปเรื่อยๆมันต้องก็เป็นคารวะก่อนแล้วปฏิบัติขึ้นไปเข้ม ข, นข้นขึ้นต่อไปก็อยากจะไปเป็นนักบวชต่อไปเองใส่บาตตอนเช้าแล้วพระท่านไม่ให้พรเดินผ่านไปเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นปกติไหมครับปกติธรรมดาแล้วพระจะไม่ได้นิยมให้ให้พรตอนบิณฑ บ, บาตแล้วพรที่ให้ก็ไม่ได้เป็นพร พราะมันเกิดจากการกระทำของเราคือบุญกุศลเนี้ยมันเกิดจากการกระทำคือการใส่บาตรของเรานี่เราได้บุญได้กุศลแล้วไม่ต้องให้พระเราบอกว่าอาการใส่บาต น, นี้เป็นบุญในกุศลนะการให้ทานของพระคือการบอกเราท่านนี้เองอายุวันโอสุ ข, ขังพะลา<ม>ังใส่บาตแล้วจะเจริญด้วยอายุวันนะัสุ ข, ขาภาลัเป็นต้นควาจรงมันจริญอยู่แล้วเมนที่พระจะสวดแล้วไม่สวดก็ตามจะบอกหรือไม่บอกก็ตาม เป็นพระถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ควรจะบวชจะดีกว่าไหมครับพระอาจารย์แน่นอนแต่เขาบวชกันเ่ะเพราะว่าบางทีเขาไม่มีทางไปครับบวชเพื่อหากินก็มีบวชเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองก็มีการบวชก็มีสารพัดสารเพเหตุผลเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีหลายอย่างบวชนี้นี่บวชอะไรมีเหตุผลหลายอย่างด้วยกันไอ้บวชแต่บวชที่เป็นเป้าหมายหลักของศาสนาคือบวชเพื่อมรรคผลนิพพานนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หายาก ขออุบายครับในการทําใจตอนเหตุฉุกเฉินถ้ากเกิดอุบัติเหตุต้องถึงแก่ความตายครับใช้สติก่อนเลยนึกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจหรือบอกมาเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อถึงแก่ความตายก็ยอมตายไปใจก็จะสงบใจก็จะไม่เครียดเราทําบุญเสร็จแล้วไม่ได้กรวดน้ําคนที่ตายจะได้บุญไหมครับไม่ได้แต่เราสามารถ อุทิศบุนได้โดยไม่ต้องใช้น้าได้อยู่การอุทิศบุญนี้ไม่จำเป็นยังต้องใช้น้ำ เ, เียงแต่ราเล็กภายในใจว่าเขาทิศบุญ้่ายกับบุคคลที่รงรับไปแล้วเขาก็จะได้รับถ้าเขารอรับอยู่เทวดาดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรให้เทวดาครับเรื่องบรรุมรรยาภรณ์นี้ผลให้ขึ้นสู่ขั้นสูงต่อจากเทวดา ยัมีสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ของเทวดาคือสวรรค์ชั้นพรหมสอนให้เข้าสมาธิเข้าฌานแล้วยังมีความสุขที่สูงกว่าสวรรค์ของของชั้นพรหมองก็คือสวรรค์ของพระอริยบุคล ค, บคลก็อสอนให้เจริญปัญญาให้เห็นสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าพระแปลว่าอะไรครับพระแปลว่าผู้ประเสริฐ ระ เ, รเพราะว่ามีการปรเพิ่มที่ประเสริฐคือมีศีลนั่นเองจะวางใจอย่างไรให้ใจผ่องใสในแต่ละวันให้มากที่สุดครับหยุดคิดนะใช้กรรมริกรรมพุทโธอยู่ในใจทำใจให้ว่างจากความคิดต่างๆเมื่อใจว่างแล้วใจก็จะผ่องใสสงบมีความสุข เราทำสมาธะอย่างเดียวสามารถที่จะเข้าถึงฌานได้ไหมครับได้การทำสมาธก็เพื่อเข้าฌานเองจิตในจิตคือเราต้องรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งใช่ไหมครับรู้ความจริงของจิตจิตก็เป็นตายนะเป็นอนิจจมทุกขลวงนาตาที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ตลอดเวลาบาเวลาก็ไม่สามารถควบคุมบังคับมันได อยกมันนิ่งอยางให้มันสง บ, บแต่มันไม่สงบเราก็ต้องปล่อยวางเพราะถ้าเราไปหยากมันจะทํำให้เราทุกข์ are, <laughs> ถ้าเราอยอมรับว่า <laughs> มันบางทีมันก็สงบบางทีมันก็ไม่สง บ, บเพราะมันเป็นอนิจจ์เราก็อยอมรับว่าตอนนี้ทําให้มันสง บ, บไปได้ก็ปล่อยไม่สง บ, บไปให้สักแต่ว่ารู้ไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเป้า <laughs> <laughs> หมายก็คือไม่ให้เราทุกข์กับใจนี่เองไม่ให้ทุกข์กับการแปดปวนของใจที่ปมีอารมณ์แปรปวนอยู่ตลอดเวลา บางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เครียดบางทีก็สบายใจบางทีก็เหนื่อยบางทีก็มันมีหลายหลายอาการต่างๆในแต่ละวันถ้าเราทําให้มันสง บ, บได้ครับก็ทําไปถ้าทําไม่ได้ก็ก็ฝึกใจยอมรับว่ามันก็เป็นเหมือนเหมือนนงกายที่มีการแปรปรวนไปไม่เกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่ไปบังคับมันไปอยากให้มันเป็นไปตามใจแล้วนะใจเราก็จะไม่ถูก ถ้าเรานำอาหารไปถวายพระที่วัดแต่ไม่ได้ไปใส่บาตรบุญกุศลจะเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันเปิดฟังบทสวดมนต์พร้อมกับทำงานบ้านไปด้วยอย่างนี้เราได้บุญไหมครับอาจจะได้บ้างขึ้นอยู่ว่าใจเราสงบไหมถ้าใจไม่สงบมันก็ยังไม่ได้บุญ การที่ความทุกข์ลดลงเป็นเพราะวงจรปฏิจจสมุปบาทในใจเราสั้นลงใช่ไหมครับก็ตันหาน้อยลงความอยากน้อยลงความทุกข์ก็จะน้อยลงถ้าตันหามากความทุกข์ก็ะมากขึ้นไปตามตามเหตุผลของของอริยสัจ ส, สีทุกข์เกิดจากตันหาความอยากอยากมากก็ทุกมากอยากน้อยก็ทุกน้อยไม่อยากอะไรก็ไม่ทุกเลย การใส่บาตรด้วยการเอาเงินใส่ไปในบาตรทำได้ไหมครับและจะเป็นบาตไหมครับสำหรับคนใส่ให้บาตรก็ได้บุญเพีแต่ผู้รับวนี้กาจะทำผิดพระวินัยคือพระวินัยห้ามไม่รับเงินทองกลับมือให้ฝากเงินทองไว้กับลูกศิษย์รับได้แต่ให้ให้มีความไว้กับลูกศิษย์ไม่สามารถรับกับมือแล้วเก็บเอาไว้ในครอบครองของตนเองได้ไม่ให้ครอบครองเงินทองไ ง, ไง่ยังไาให้ให้ฝากลูกศิษย์ไว้เวลาต้องการ ต่ซื้ออะไรก็ให้ลูกศิษย์เป็นคนไปซื้อให้แทนแต่บางทีไม่มีลูกศิษย์ก็เลยทำหน้าที่แทนลูกศิษย์ไปก็ได้ชั่วคราวรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับวัดก็เอาไปให้ลูกศิษย์ช่วยเก็บไว้ต่ออันนี้มันก็อาจจะผิดผิดบางส่วนแต่ไม่ผิดทั้งหมด ให้สละออกใช่ไหมครับอาจารย์สลับก็ก็เพียงแต่เป็นทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์ชั่วคราวในช่วงนั้นยังมีลูกศิษย์แล้วอยากจะสนองศรัทธาของคนใส่ะก็อยากจะใส่ก็ไหวเขาใส่ไปพอเรากลับว้านเราก็บอกให้ลูกศิษย์เราเอาเงินที่อยู่ในบาทนี้ที่เอาเอาไปเก็บไว้ให้หน่อยเราไม่เก็บไว้เองเราไม่ครอบครองไม่เองก็ผิดตานได้ช่วงรับท่านเองแต่ช่วงนี้ก็ไม่ผิด การบริจาคโลหิตได้บุญเหมือนกับการใส่บาตรไหมครับได้เหมือนกันเป็นทาน่างหนึ่งโลหิตของราก็เป็นเหมือนกับ อ, า, อาหารเพราะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยได้โลเหินก็เหมือนกับได้อาหารตอนนี้อายุสิบเอ็ดปีครับเริ่มปฏิบัติธรรมเพราะพ่อสอนตั้งแต่เด็กแต่ผมรู้สึกทาแล้วไม่ก้าวหน้าเลยครับชาตินี้ผมจะหลุดพ้นไหมครับแล้วควรจะทำอย่างไรดีครับ ถ้อยาจะให้ก้าวหนต้องทําเพิ่มให้มากขึ้นถ้าาถ้าทําเท่าเดิมมันก็จะไม่ก้าวหน้าถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งอ่ะถ้าเราวิ่งแค่วันละ10กิโลเราก็จะได้แค่นั้นอ่ะ10กิโลถ้าอยากจะให้มันก้าวหน้าเราก็ต้องเพิ่มเป็น11กิโลเพิ่มเป็น12กิโลเพิ่มเป็น13ปัญญาที่สุดเราก็วิ่งมาลาทอนได้ พระที่ทําผิดศีลเป็นบาปไหมครับบาปสีลก็ันเป็นศีลผิดศีลมันก็บาปไปนะี่นก็ไปเป็นเดรัจฉานนะส่วนใหญ่อย่างนั้ น, นะ น, นก็ไปเสดการมเป็นเสด็จอ่มันก็เป็นการเป็นการกระทาบาปจาันจะหนักกว่านั้นไปถึงนรกหรือไม่นี่เราก็ไม่รู้นะเพราะนารกนี่เหตุที่ไปมันเกิดจากความมาฆ่าพยาบาทมากกว่าทาบาปด้วยความมาฆ่าพยาบาทก็ไปนรกอทําบาปด้วยความ รู้ก็ดีหรือไม่รก็ดีแต่กระทาผืนทำไปผิดพระมินายผิดศีลก็เหมือนกับเป็นเดรัจฉานนี่เองผู้เสพการแบบที่ไม่มีไม่ถูกต้องตามการมาเพต่ผิดการมาเพื่ผิดในกลามเนี้ยข้อ น, นี้ก็ยังนําให้ไปสู่การไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเดรัจฉานก็ไม่มีประเภทนี้เขาไม่มีธรรมเนียมในการเสพการเพรเจอใครที่ไหนเมื่อไรเขาอยากจะเสพก็ เ, เสพกัน ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ตั้งเสรการกับคนที่เขาเป็นคู่ของของเราเทนั้นหากเรานัดกับลูกว่าจะพาไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้แต่พอถึงวันจริงเราเจ็บป่วยไม่สบายเลยไม่สามารถพาลูกไปเที่ยวได้อย่างนี้ถือว่าผิดสีข้อสี่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราพูดกับเขายัางไงถ้าเราพูดว่าจะทำพาพาไปแล้วไม่พาไปมันก็ผิดนั่นียแต่ก่อนจะพูดเราต้องมีข้อแม้ไว้ก่อนถ้า ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ติดธุระถ้ามันมีถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะพาไปอย่างนี้ก็ไม่ผิดศีลเพราะเราไม่รู้อนาคตหรือว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ก็คงจะถือว่าถือว่าได้พูดแล้วโดยที่ไม่ได้พูดคือไม่ได้ตั้งใจจะโกโกโกหกขเขาเพียงแต่ว่ามันมีเหตุสุดวิสัยอยันนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลข้อสี่ก็ได้แต่ถ้าเพื่อให้มัน ใน่ใจก็พูดไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่มีเหตุฉัดท่องอันใดก็จะพาไปเที่ยวนะตรงนี้ในนี้มันก็จะเขา่าจะได้เตรียมตัวเตรียมใ จ, จเนี่จะได้ไม่ถูกเล่าเหมือนเวลานักพระอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็นักกันไว้ก่อนอ่นานักขมันไม่แน่นอนนะมันมีคนบอกมันขดไปขดมา <laughs> มไม่ตรงไปตรงมาครุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ก็ไม่รู้ ไม่แต่พยากร์อากาศบางทีเขาก็ไ ม, ไม่ไม่ตรงกับที่เขาพยากรณ์ก็มีทุกวันนี้คนไทยสนใจศรัท ธ, ธาการบวชเป็นสามเณรีมากขึ้นเขาขอความรู้เรื่องนี้ค่ะพระอาจารย์คือผู้หญิงเนียอยากจะบวชเป็นพระแต่ที่นี้บริเวณนี้การบวชผู้หญิงให้เป็นพระเนี่ยมันหมดไปแล้วในในสายของเทรวาธ แต่ทางสายมาหายานเขาว่าเขายังไม่หมดยังบวชเป็นเป็นเป็นภิกษุณีได้อยู่แตการก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุณีได้นี่เขาเปข้อนะต้องบวชเป็นสามมณรีก่อนทำให้เรนนี่ถึงสิ้นแค่สิบข้อไม่ไ่ไงไม่ไม่เหมือนกับแล้วการที่จะบวชเป็นเป็นภิกษุณีได้นี่ต้องเป็นสมมนามเณรีอย่างน้อยสองปีก่อนแล้วถึงจะสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ อนนี้ก็เลยมาที่มาของการบวชเป็นสามเณรเลยคือคืออยากจะมีสถานภาพเหมือนกับพระพูด ง, ง่ายๆเพราะพระนี่มีศักดิ์มีสีกับเป็นแม่ชีใช่ไหมแม่ชีนี่เป็นเหมือนกับเป็นคนรับใช้พระอีกทีหนึง่งก็เลยมีใครอยากจะบวชชีกันแต่ก็าดูเขาดูแปลว่าการบวชนี่ก็บวชเพื่อละละล ะ, ละกิเลสคือละอัตตาตัวตนการบวชเป็นแม่ชีนี่ถือว่าเก่ง เพว่าก้าสามารถละอาตาตัวตนที่ไม่ยอมไม่ไม่ไม่ยกตนให้ถือเท่ากับเท่ากับการเป็นพระยังเป็นแม่ชียังเป็นแฉวอันนี้แต่การบวชเป็นแม่ชีก็ดีเป็นสัมมเณยก็ดีสั ม, มเณรีก็ดีเป้าหมายก็คืออยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้ได้บัพปุญญานิพานเหมือนกันไม่ว่จะบวชแบบไหนก็สามารถปฏิบัติให้ถึงพันิพานได้เช่นเดียวกันเป็นแม่ชีก็บวช บัติได้ถึงพรนิพพานได้เป็นสมมาณีสัมมาณรีก็สามารถบรรลุเป็นเป็นพระหานได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระพิกศูเย์อย่างเดียวแต่ตามสมมุติในพระเพิกษูมีทางสังคมเ้านิยมมาให้สักให้สีพระพิกษูมากกว่าให้สมมะณีนะสมมาณีรีหรือหรแม่ชีผู้หญิงเี่ยางคนก็ถือตัวก็อยากจะมีสักมีสีเท่ากับการเป็นพระเพาเราไม่อยากจะบวชีกัน ในายใหญ่ของความทุกข์คืออวิชชาใช่ไหมครับแล้วทําอย่างไรอวิชชาจะหมดไปครับใช้ปัญญาไงปัญญาจะมาลบล้อาอวิชชาอาวิชชาก็คือความเรื่องของความไม่รู้ความจรงิงไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนพอเจอพระเจ้าพระเจ้าบอกวความสุขอยู่ที่ความสงบนะไม่ใช่อยู่ที่การเสกการมนี่ก็มาแก้อวิชชาเพราะคนที่มีอวิชชานี้จะคิดว่าความสุขอยู่ที่การเสกการม ให้เป็นวิธีเสกความสุขจากการเสกกรามมาเสกความสงบแนทนทําใจให้สงบตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปแล้วใจก็จะสงบมีความสุขที่แท้จริงถ้าปฏิบัติแล้วเห็นกายใจไม่ใช่เราไม่เป็นของเราแต่ยังเห็นว่ายังไม่คืนกายให้โลกต้องปฏิบัติเพิ่มยังไงต่อครับก็ อ, อยู่กับมันไปเวลามันเป็นปนานก็อย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเอง เจ็บไข้ได้ปวดก็เฉยๆมันก็นไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวดเราเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเจ็บแล้วกายคนอื่นเจ็บเราไม่ได้เจ็บไป่ยวเขาเราไปเดือดร้อนทําไมถ้าเดือนร้อนก็แสดงว่าเราหลงคิดว่าเราเป็นเขาใส่บาตรแล้วมีความรู้สึกเฉยๆผิดปกติไหมครับแล้วควรจะวางใจอย่างไรครับไม่ปกติครับก็เราต้องรู้เหต ข, ของการใส่บาตรกั น, นว่าเราใส่เพื่ออะไร ใส่เพื่อสงเคราะห์คนที่เข้ามารับบาตรเขาไม่มีอาหารกินก็าอาศาัยเราเป็นผู้ให้อาหารอเขาเมื่อเราเห็นว่าเราทําล้วบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาเราก็จะเกิดความรู้สึกในความสุขใจภูมิใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่คิดเราก็เป็นเหมือนหุนยนต์ใส่แบบไม่รู้เรื่องไม่รู้อิโ น, น, ย, นย์นม่วันเด็กที่พ่อแม่สอนให้ใส่บาตเด็กบางทีงเขาก็ไม่รู้อิโ น, น, ย, นย์นี่เขากาใส่ตามที่พ่อแม่บอกให้ใส่ แต่ที่พ่อแม่ทาเพื่อสอนให้ให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเขาจะได้รู้จักวิธีใส่บาตรแต่ใจของเขาเขายังไม่ได้ ย, ไไดยังไม่ได้บุญแต่อย่างใดเพราะก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการให้ว่าให้เพื่ออะไรและการให้นี้เขาต้องเสียสละอะไรไปนั่นเราต้องคิดก่อนเนี่ยเรามีเงินก้อนอย่งที่เราสามารถที่จะไปเสื้อความสุขอย่างอื่นได้แต่เรายินดีเสียสละความสุขกนั้นเพื่อเอามาเสื้อหารใส่บาตรให้กับพระเพื่อให้พระ ได้บรรเทาความหิวโหยเมื่อเราคิดอย่างนี้แนละ้วเราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจภูมิใจขึ้นมาในตัวเราผมขอปัญญาอุบายทรรมในการที่จะระงรับหรือกำจัดกิเลสกรณีที่สติของเรายังไม่แน่นหนามั่นคงแต่ต้องไปผจนกับโลกภายนอกเช่นหากมีคนให้ทาผิดศีลและเมื่อต่อซั์ ถ้านายจนวนหลักหมื่นหลักแสนรู้สึกว่าจะสามารถระ ง, งับกิเลสได้ดีแต่ถ้าเป็นหลักหลายๆล้านบาทชักจะสู้กิเลสความโลภไม่ไหวจะมีคนกลอนอุบายยังไงที่จะเบรกหรือ ย, ยับยั้งกิเลสตัวนี้ได้อย่างสิ้นเชิงครับก็คงไม่ได้ทํางไงนะไม่รู้ยังรียนทยังไงน้อยใจเห็นว่าตายไปก็เอาเงินเหล่านี้ไปไม่ได้ใชใช้ปัญญาสอนใจ เราเป็นทรัพย์แค่แค่ชั่วขณะมนชีวิตอยู่แต่แต่ผลของบาป ท, ที่เราจะต้องไปรับผลนี่มันมันตามไปด้วยคือต้องไปเกิดในอาบายแต่ถ้าเราไม่ทําบาปนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอาบายก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจถ้าใช้ศีลอย่างเดียวไม่พอก็ต้องใช้ปัญญาดู เ, าเงินก็เป็นสมบัติชั่วคราวตายไปแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เป็นความสุขปลอมเพราะว่า ถ้มีเงินนะคนเดียวพอใช้ไปพอเงินหมดเงินก็ทําให้เราทุกข์อีกก็คิดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการได้เงินนี้ไม่คุ้มกับโทษที่เราจะต้องไปใช้ในอาบายถ้าเราไม่ทําผิดศีลเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอาบายในที่ที่ผมอยู่เขายังมีคนเอาเงินมาแจกเลยกับอาจารย์ต้องมีเหตุโอตระปาเหตุเหตุคือความละอายว่าเราไม่ทําต้องทําในสิ่งที่ไม่ดี ทำให้เราคนี้เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเคารพนับถือไม่งานเลื่อมใสแล้วก็ให้เรากลัวผลของบาปคือโอตตะปานี่คือความกลัวผลของบาปวาบาปนี้มีจริงนะทําบาปก็ต้องไปเกิดในาบายต่อไปถ้าไม่อยากจะไปเกิดในาบายก็อย่าไปทําบาปแต่ผมไม่เคยรับเลยนะครับอาจารย์แน่นอแต่ละคนมันก็มีฮีริโอตตปานมากน้อยไม่เท่ากัน สีกาที่ไปมีอะไรกับพระนั้นถ้าตายแล้ววิญญาณของนางจะมีที่ไปไหมครับนี่านางก็ไปตามตามบาปที่เธอทำไปแบบหลอกรวมพังงนไปหลอวงโกหกอเอาทรัพย์ของเขามาอย่างี้ครับเป็นการทำบาปช่อโกงแลงก็บาประพฤติผิดในการมมีหลายผัวมีหลายแฟนมีหลายคนก็เป็นเหมือนชูนั่งเรือนก้า จากคุณธีรติครับญาติโยมควรจะทําหรือไม่ทําที่เป็นการทําให้พระสงฆ์ออกจากหลักพุทธศาสนาครับไม่ใช่ญาติโยมหน้าที่ของญาติโยมไปทําแล้วไม่ทำํำเพราะาพระสงฆ์นี่ท่านมีคนคอยสั่งคอยสอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพระสงฆ์ท่านเดืนอถ้าไม่ทําตามคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์นั่นเองญาติโยมเป็นงแต่อาจจะสนับสนุนให้ทำบาปได้ง่ายขึ้นก็ได้ ในการที่อาจจะไปหลงเชื่อท่านว่าท่า น, ท, านท่านมีความจำเป็นยังต้องใช้เงินก็ บ, บริจาคเงินให้กับท่านไปและท่านกา็อาจจะไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้งั้นก็อย่าถวายเงินอเงินนี้เป็นเครื่องที่จะสามารถเอาไปทำสิ่งที่เสียหายได้ยกเว้นว่าถ้าท่านําทําประโยชน์ให้กับสาธารนณะก็บัญญาถ้าท่านมีโรงเรียนเด็กเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างนี้หรือสร้างโรงพยาบาลอย่างเนี้ย กลังมีบ้นานขาดเตียงขาดเครื M, ่องใช้ไม้สอยต่างๆแล้วท่านก็บอกว่าช่ว ย, วยถอยเงินให้ทำอย่างนี้ก็ทำได้ถ้ามทีที่มาที่ไปที่ทเราสามารถติดตรวจสอบได้ก็ทำไปถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าไปทำอย่าให้เงนินทองอภาระไม่จำเป็นอยู่ต่างจังหวัดครับ พระขับรถมาบินทบาศแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยเราควรจะใส่บาทไหมครับน่าจะศรัทธาบางคนก็ยังศรัทธาอยู่เขาเรียวเป็นพระท่านสมัยก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าพ้าเป็นพระโบราณเขาไม่นิยมพระพระจะไม่นิยมนั่งอะอะไรนั่นเกวียนนั่งอะไรครับยกเว้นถ้าเป็นเรือเนี่ยอาจจะนั่งภายเรือได้เพราะว่ามันจําเป็นมันไม่มี บ้านชาวบ้านสมัยก่อนอยู่อยู่อยู่ยติดท่าน้ํากันใช่ไหมขณะจะไปบินธบัติก็ต้องนั่งภายเรือไปก็มีแต่นั่งขับรถไปในสมัยนี้ไม่ทราบว่าควรหรือไม่ควรพระสงฆ์ยืมเงินโยมเหมาะสมหรือไม่ล่ะครับแล้วควรจะให้ยืมไหมครับไม่ควรนะพระพุทธเจ้าสอนนะว่าการไม่มีการไม่มีหนี้เป็นสุข การมีการมี่ีเป็นทุกข์นี่การให้ประสงค์ดีมัมนก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับประสงค์ทำบุญตักบาตรกรวดน้ำแห้งในใจญาติผู้ล่วงรับไปแล้วจะได้รับบุญที่เราทำให้ไหมครับถ้าเ็ารอรับอยู่ก็ได้ทุกข์กับสุขคือตัวเดียวกันหรือเปล่าครับมันตัวเดียวกันในคนละด้านมันเรี้ยนอะ เห็นเห็ น, นอันหนึ่งแต่มันมีสองด้านไม่หัวกับก้อยมันเป็นเวทนาเหมือนกันสุขก็เป็นเวทนาทุกก็เป็นเวทนาแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าสุขมันสบายทุกมันลําบากก่อนสิ้นใจกรณีถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลควรท่องอะไรหรือฟังอะไรก่อนตายไหมครับแล้วแตเ่เราท่องอะไรก็ท่องไป ทำใจให้สงบจะได้ตายตาอยากสงบไม่ทาราระมอ๋อมีคนถามว่าพระอาจารย์อยู่วัดไหนครับฟังแล้วรู้สึกปิติมากครับเดี๋ยวค่อยโฆษณาทีหลังนะครับ <laughs> ก่อนย่าตอบแทนพระอาจารย์อยู่วัดญา น, นสังวรารามที่สัตหีบนะครับระหว่างพระ กับสีกาที่เป็นข่าวครับพระอาจารย์พยากรได้ไหมครับว่าใครตกมาลกลึกกว่ากันครับไม่ไ ม, ไม่ไม่กลม่กลา้าไปตัดสินใครนะั่นแหะไ่ร่าไปอาบายนะเพียงแตไม่รู้่าไปอบายในรูปแบบไหนถ้าเรารู้ทันความคิดสติก็จะกลับมาใช่ไหมครับถ้าเราหยุดความคิดได้สติก็จะกลับมา การทำบุญจริงๆแล้วคือการฝึกตนให้รู้จักสละละกิเลสใช่ไหมครับคือการทำบุญเพื่อให้เราละการยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้เรามีทรัพย์สมบัติเงินทองพอกับการเลี้ยงดูร่างกายเราก็พอถ้ามัมากเกินไป ก, กว่านั้นเงินทองจะเป็นโทษกับจิตใจเรามากกว่าเป็นคุณเพราะมันจะทำให้เราติดเแล้วมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปบวชได้ถ้ายัางติดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ หนูจะสามารถบรรลุมรรคผลได้ไหมครับหนูมีปัญหาสุขภาพฟังพระอาจารย์ภาวนาที่บ้านไปใส่บาตรได้บ่อยๆไปฟังเทศที่วัดได้แต่บวชที่วัดไม่ได้ต้องคนไปค้างวัดได้เป็นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นจึงมีโอกาสสำเร็จใช่ไหมครับเมื่อจำเป็นหรอถ้าเราสามารถปฏิบัติที่บ้านได้ก็ปฏิบัติที่บ้านไปก็สำเร็จได้ที่บ้านก็มีข้อสำคัญก็คือให้ได้ปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ลูกสาวอายุหกขวบครับสวดมนต์เก่งมากแต่สวดแล้วร้องไห้ทุกครั้งแม่ถามเขาบอกไม่อยากสวดมีบางวันที่เต็มใจสวดจะทําอย่างไรดีครับก็อย่าไปบังเข้าก็ได้แล้วแต่หนูบอกว่าหนูอยากจะสวดหนูก็สวดหนูไม่อยากจะสวดแม่ก็ไม่บังเับาขอโอกาสพระที่พูดจาหยาบคายอันนี้ผิดศีลไหมครับพิดผิดพุทธวสวัสดิ สำหรับพระนี่ต้องมีมีวาจาที่ที่สุภาพกว่าคาราว่าคาราว่านี่วาจาที่ผิดศีลก็มีอย่างเดียวก็คือการโกหกแต่ของพระของนักบวชนี้นอกจากโกหกแล้วยังต้องการพูดคำหยาบ ก, ก็ถือว่าเป็นเป็นบาปแล้วการพูดเพ้อเจ้าก็เป็นบาปการพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกก็ก็เป็นบาปยุยงให้คนเกลียดชังกันก น, นี้ก็เป็นบาป บุญกับกุศลมีความแตกต่างกันอย่างไรครับถ้าแปลตามตัวตัวหนังสือบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจกุศลก็คือความความฉลาดการเรียนธรรมะนักธรรมตรีได้ป ร, รียนกับประดิษฐ์ธรรมด้วยตนเองนั่งรู้ลมหายใจอย่างนี้ต่างกันหรือเปล่าครับคือกา ร, รนี้ก็เป็นประเรียนนี่คือเป็นขั้นตอนของการศึกษาภาษาบาลี เรียนนี่เป็นการเรียนภาษาบาลีไม่ได้เรียนธรรมะโดยตรงเรียนเรียนภาษาบาลีเพื่อที่เราจะได้ใช้ภาษาบาลีนี้มาอนุรักษ์คําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้เป็นภาษาบาลีการนั่งสมาธินี้เป็นการปฏิบัติธรรมขณะคานก่รศึกษาก่อนแล้วค่อยไปไปปฏิบัติต่ตอถึงจะได้ผลคือความสุขความสงบใจ ตั้งแต่มีข่าวเฉาเกิดขึ้นศรัทธาลดลงรู้สึกผิดหวังเพราะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากควรจะทำใจอย่างไรดีครับควรจะลดลงเฉพาะบุคคลที่ทำความผิดซิคนนี้ไม่มีความผิดไปลดศรัทธาลงทาไมไ ม, ม่เกี่ยวกับเขาสัหน่อยแล้วก็ศรัทธาต่อไปได้นคนที่ทำผิดล้วก็ลรวก็เสื่อมศรัทธากับเขาได้ ต้องแยกแไม่ใช่ว่าเหมาเป็นทั้งหมดคนที่ทําผิดคนเดียวอย่คนในบ้านของคุณติดคุกคนเดียวเขาก็ตายเป็นคนทุกคนในบ้านติดคุกไปหมดใช่หไหมมันก็เฉพาะคนที่ไปติดคุกเท่านั้นที่ที่เราจะเสื่มศรัทธาแต่คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านที่ยังไม่ได้ติดคุกเราก็ยังมีศรัทธาในตัวเขาได้อยู่พระที่แจกเงินยื่นเงินให้เด็กๆผิดวินัยไหมครับ ก็อย่างที่บอกพระไม่ไ ม, ไม่ข้าห้ามไม่พระแต่ต้องเงินทองจับต้องเงินทองแา่สมัยนี้บางทีท่านก็ท่านก็ถือว่าเป็นการทําบุญก็เลยอยากเองให้ให้ให้ลูกศิษย์แจกก็มันไ ม, ไม่ไม่ถามคนก็อยากจะรับจากมือจากพระก็มีครับแม้แต่การถวายเงินบางทีก็ไม่อยากจะฝากลูกศิษย์หรือยากจะให้พระรับกับมือก็มีแล้วก็คิดว่าเหมือนก็ให้ลูกศิษย์ไปเวลาทำบุญแล้ว ต้องเงินให้กับลูกศิษย์เขาเขาเรียว่าทำบุญกับลูกศิษย์ไม่ทำบุญกับพระเขาก็อยากจะใส่ใส่บาตรก็ได้ใส่ฟ้าบาตรก็ได้ให้พระรับไว้ก็มีสมาธิมันก็ล ย, ยากสําหรับเจ้าการที่รักษาพราวินัยข้อนี้ให้ได้อย่างอย่างบริสุทิ์นะแต่ก็ทําได้แต่ก็ต้องขัดศรัทธาเข้าไป ทำบุญแล้วลืมกรวดน้ําครับกลับจากทํางานมาทุ่มสองทุ่มสามารถจะกรวดน้ําตอนนั้นได้ไหมครับได้ถ้าเกิดมาแล้วใช้ชีวิตทํางานมีครอบครัวทําบุญบ้างครั้งกับอีกแบบหนึ่งทํางานทําบุญสม่ําเสมอไม่แต่งงานมุ่งปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาบันแล้วตายไปแบบไหนใช้ชีวิตคุ้มค่ากว่ากันครับถ้าเรียนวันนู้เป็นพระโสดาบานันมันก็คุ้มค่ากว่า บริจาคร่างกายได้บุญเท่ากับใส่บาทไหมครับไม่ได้บุญเลยนอกจากว่าถ้าบริจาคตอนที่ยังยังไม่ตายคือให้เขาเอาเอา ว, าวัยวะจากร่างกายเราไปเลยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้บุญแต่ถ้าเราตายไปแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วค่อยเอาร่างกายเราไปทำอะไรนี่เราไม่ได้บุญเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเอาเาเอาอะไรไปทำกับร่างกายเราเขาทำอะไรกับร่างกายเรา เราต้องรู้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถึงจะรู้ว่าเอาตายไปข้างหนึ่งเอาตายไปใส่ให้คนนั้นคนนี้แล้วทำให้ชีวิตเขาที่จะตายกลับมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นี่เราก็จะเกิดความสุขใจความสุขใจนี้ก็คือบุญแต่ถ้าเราตายไปแล้วแล้วเขาตายไปใส่อีกคนหนึ่งเราไม่รู้แล้วเขาไปใส่หรือเปล่าเราจะไม่ได้บุญ ประเทศไทยเราบวชสามเณรีได้หรือครับพระอาจารย์จริงๆแล้วควรจะบวชชีมากกว่าไหมครับใช่ไม่ไม่ได้หรอกแต่ก็อย่างที่ว่าในประเทศไทยเราบางทีมักจะทำอะไรก็ทไปตามตามความพอใจถ้าไม่มีใครมาห้ามมาต้ตักเตือนเมื่อมาเขาก็คิดว่าถูกไปการที่เราทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศล ให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแต่ถ้าเขาไม่อยู่รับบุญนั้นไปไหนครับก็กลับมาที่เราสองสัปดาห์ก่อนน้องเขยประสบอุบัติเหตุผ่าตัดสมองหลังผ่าตัดยังไม่รู้สึกตัวสงสารมากมีธรรมะข้อใดช่วยให้ใคลายทุกข์ได้บ้างครับก็เรามีกรรมเป็นของตนกทรทำกรรมใดไ ว, ว, ว้เราก็ต้องไปผู้รับผลของกรรมนะั้น ก็มีกรรมของเขาที่เขาทํามาวันนี้เขาก็ตรับผลของกรรมที่เขาทําไม่ทํามานั่งสมาธิห้านาทีอยู่กับบ้านไม่ได้ไปวัดอย่างนี้ได้บุญไหมครับบุจากการนั่งที่อยู่ที่สงบนะไม่สงบไม่ได้อยู่ที่เวลาถ้านั่งนาทีหนึ่งจิตสงบก็ได้บุญทันทีถ้านั่งชั่วโมงหนึ่งจิตยังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญบุญคือความสุขใจ ความสงบก็คือความสุขใจฝากให้เขาไปใส่บาตรให้เราเราได้บุญไหมครับถ้าเป็นงิของเราแลของของเราเราก็ได้บุญอยากทราบว่าการที่เราฝันเห็นแม่ที่เพิ่งเสียยังไม่ถึงเดือนว่าท่านมาของเงินแล้วเราจะทำยังไงในความเป็นถึงจะให้เงินแม่ได้ใส่บาตรจะได้รับไหมครับ ได้เพราะบุญนี้สามารถไปเป็นเงินได้ในโลกทิพย์ครูสอนธรรมะพูดว่าพระที่ประราชิกทำความดีมาตั้งเยอะพลาดไปมีอะไรกับสีกาไม่ได้ผิดร้ายแรงเหมือนฆ่าคนจริงหรือเปล่าครับคือประราชิกนี้หมายถึงการกระทำที่ตัดอนาคตคือโอกาสที่จะไปปฏิบัติเพิ่มผลที่ผ่านนี้ก็จะถูกปิดไป ค่วนใหญ่นรกรือมากอยู่ที่ว่าทำแบาปแบบไหนถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทคือฆ่าฆ่าฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบาทนี่ก็จะไปตกนรกแต่ถ้าไปประพฤติผิดในการนี่ก็อาจจะไปเป็นเนราชาญด้มากกว่าอายุ35ปีครับอยากจะบวชเป็นภิกษุณีตลอดชีวิตตอนอายุ40 ขอคำแนะนําครับว่าควรไปบวชที่ไหนแล้วกลับมาอยู่ที่วัดไทยได้ไหมครับจะต้องเตรียมตัวอย่างไรครับคือวัดไทยเขารับไม่ได้ว่าไทยอยู่ภยายใต้กฎของมหาเทระสมาคมซึ่งมหาเทระสมาคมถือว่าภิกษุณีนี้หมดไปแล้วในในสายของเทระวาดงั้นก็อยู่นอกจากว่าวัดบางวัดที่เข้าไม่ทุเลี่ยงเขาก็เล่เข้ามาอยู่ไปดยนุโลมนี่ก็ จ, จะอยู่ได้ ด้วยความด้วยสักด้วยสีของการเป็นภิกษุณีนี้ในในศาลของเทรวาณนี้ไม่มีแล้วภิกษุณีถ้ามาแต่งกายเป็นภิกษุณีก็ถือว้าเขามาแต่งกายเรียนแบบพระภิกษุการจะถูกเจ้าหน้าที่ตํำรวจจับนะเพราะมีกฎหมายในประเทศไทยไม่ให้คนที่ไม่ได้บวชเป็นพระนี่มามาใส่ชุดของพระ ปฏิบัติธรรมที่บ้านแต่รู้สึกเหมือนปล่อยวางเกินไปเหมือนไม่ได้ทำหน้าที่ทางโลกเลยควรจะทำอย่างไรครับก็ทำที่ปฏิบัติธรรมก็ทำไปหน้าที่ก็ทำไปเรื่องจักแยกแยะเรามีหน้าที่แล้วเราก็ต้องทำต่อแม้แต่พระภิกษุมาบวชก็ยังต้องมีหน้าที่หน้าที่ปัดกวาดน้นวัดหน้าที่ทำความสะอาดส า, า, สาลาวาถูสาราหน้าที่รับใช้ครูบาอาจารย์ มันมีหน้าที่ทุกคนะไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแล้วไม่มีหน้าที่ถ้าไม่อยากจะมีหน้าที่เลยก็มีอยู่คนเดียวไปทึ่ดงในป่าคนเดียวอันนั้นก็จะไม่มีหน้าที่เลยปฏิบัติปล่อยวางแล้วอย่างเต็มที่เลยอาจารย์ครับตอนนี้มีผู้ชมรวมกันเกินสองพันคนนะครับอาจารย์วันนี้โมฆะดีมากสองพัน ที่หลวงตาท่านไม่ให้พระออกไปทําพิธีนอกวัดท่านสงวนพระของท่านมากเพราะท่านไม่ให้พระไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมครับใช่อันนี้ส่วนหนึง่งเพราะไปรับพอไปรับรูปเสียงกลิ่นรสกลับมาวัดแล้วมานเอาเอากลับมาวัดด้วยเอามาปรุงแต่งมาทําให้จิตฟุงซ่านทาให้ก่อนจะทําจิตให้สงบได้ น, นี้อาจจะต้องเสียเวลามากแล้วก็ไม่อยากให้สิภัารเสียเวลาเพราะกานเอาไปข้างหน้ามันจะเสียเวลา ให้ในวัดก็ยังเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ในเราใส่บาตรอยู่ที่หน้าบ้านกับเราไปวัดอันไหนได้บุญมากกว่ากันครับได้เท่ากันนั่งสมาธิตอนกลางวันได้ไหมครับได้นั้นทุกเวลาตั้งแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยน้องตอนไหนก็นั่งได้ พระที่ไปยุ่งกับศีกามาก่อนแล้วมายุ่งกับศีกาอีกคนศีกาคนที่สองบาปไหมครั บ, บก็บานะด้วยกันทั้งนั้นนะกะมีคนที่หนึ่งแล้วคนที่สองแล้วคนที่สามอพุทจิตเขาเรียกว่าต่อพุทินในกางไงพินในกามเพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษาพระศาสนาครับควรจะเริ่มจากปฏิบัติแบบไหนก่อนดีครับ ก็ต้งเรเียนรู้กันว่าพระพุทเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็ราองไปศึกษาทําทานอย่างไรถึงแล้ว่เป็นการทําทานทําเพื่ออะไรพูดตรงๆก็คือทานก็เพื่อสละความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากเกินไปขความจําเป็นอย่าเก็บเอาไว้อย่ามีเพราะมันจะเป็นโทษกับจิตใจเพราะใจจะต้องกังวลวิตกดูแลรักษา กับเวลามันสูญหายไปก็จะกลาความทุกข์ใจขึ้นมาให้สลัดไปให้มีเท่าที่จําเป็นมีเท่าเพิ่มเลี้ยงชีพก็พอนี่คือทานคือเป้าหมายหลักของการทําทานสีก็คือการไม่ไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนแลทําให้ตัวเราบ้งเดือดร้อนต่างจากการกระทาผิดของเราก็คือรักษาสีแล้วเราก็จะไม่ต้องไปรับโทษไม่มีโทษตามมาไม่มีทุกข์ตามมา ถ้าภาวนานก็เพา่อทให้ใจเราสงบให้มีความสุขจากความสงบเพราะเราจะได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากลาบลดสรับสริญจากรูปเสกินลดเําก็มาหาความสุขจากการภาวนานแทนการนั่งสมาธิถ้าจิตเราไม่นิ่งทั้งทั้งที่พยายามแล้วอย่างนี้ได้บุญหรือไม่ครับได้บุญที่เกิดจากความเพียรได้ มนความเพียรพยายามแต่ยังไม่ได้บุญยังไม่ได้ความสงบยังไม่ได้ความสุขจากการทําความเพียรอยู่แต่อย่างไรก็มีความเพียรพยายามที่จะไปคอยตัวพักนั้นถ้าเพียรพยายามไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งข้างหน้าก็อาจจะสบงบได้าหากญาติเราป่วยและหมอวินิจฉัยแล้วว่าสมองตาย เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจหากจะตัดสินใจบริจาคอวัยวะให้ผู้ป่วยคนอื่นอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับมันไม่ใช่นั่งกายของเราเนี่ยมันเองเราไม่ใช่เราเป็นคนที่จะมาตัดสินใจแทนเขาเพราะไม่ใช่เป็นของของเราส่วนการนั่งสมาธิคือการฝึกแยกจิตให้ออกจากกายใช่ไหมครับคือการทาจิตให้สงบ แล้วจิตสงบมันก็จะยากออกจากกายไปเองเป้าหมายก็แค่ให้สงบเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วผลที่ตามมาคือจิตก็ จ, จะแยกออกจากกายชัวย่วคราวรู้สึกถึงความโกโรธแต่ระ ง, งับไม่ค่อยลงเลยครับรอาจารย์วัตถุสติเราอย่างน้อยพอกรเราต้องบริกรรมพูดโทเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโ ก, โกรธ ยึงใจให้เข้าหาพุโทโธพุโทโธไปสักพักหนึ่งเดียวความโกรธก็จะหายไปสวดมนต์ก่อนนอนบางครั้งไม่มีสมาธิควรจะต้องทําอย่างไรครับก็อย่าไปสวดตอนก่อนนอนสิสวดตอนที่เรายังไม่น่วงถ้าสวดตอนก่อนนอนว่าจะหลับนั่นเอง พอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือกับพระสงฆ์มีความจําเป็นไหมครับสำหรับที่เราบวชใหม่ๆอยู่กับหลองตานถ้าไม่ให้ใช้ของเหล่านี้เลยเพราะมันเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งนั้นโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุข่าวสารห น, รนังสือพิมพ์นี่ท่าตัดไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะปไปยุโยงให้จิตใจเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเป็นการบุคคลห้า ทำไมกิเลสถึงชนะพระได้ครับแล้วเราเป็นคนธรรมดาจะรอดพ้นได้หรือครับเรามีแค่สี่ห้าครับออมันไม่ใช่อยู่ที่สิ่งอย่างเดียวหรอกมันอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาด้วยงั้นการเป็นพระนี่ไม่ยากครับว่าทุกคนจะมีสติปัญญาในระดับพระถ้าเป็นพระแท้เนี่ยกิเลสแพ้หมดแต่ถ้าเป็นพระปลอมนี่กิเลสชนะหม ด, ดง่ายๆต้องเป็นพระแท้ก็คือเป็นพระอันนี้มกคล อัแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้กิเลสมันจะไม่สามารถทำให้พระทาบาปได้เลยอย่างน้อยสินสินของพระจะบริสุทิ์ถ้าเป็นพระโสดาบันแต่กิเลสที่ละเอียดกาด น, นั้นนี้พระโสดาบัญญาตจะแพ้ อ, อยู่เชนการมาราคะความอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้พระโสดาบันก็ยังอาจจะสู้ไม่ได้อยู่ กระผมมีความปรารถนาสร้างสังสมบุญกุศลบารมีทุกประการทั้งทานศีลภาวนาตามรอยแห่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อมุ่งหวังปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตครับก็ดีก็สร้างไปบารมีทัสิบประการด้วยกันการเดินทุดงควัดกับการเจริญกรรมฐานอยู่ที่วัดแบบไหนได้ปัญญามากกว่ากันครับ มันคนจะเรื่องกันนะคำว่าดอนทึ่งลงนี่หมายถึงการไปปีกไม่เว้ไปอยู่ในป่านในเขาอันนี้ก็เพื่อจะได้สถานที่ที่เหมาะต่อการเจริญสติสมาธิและปัญญานี่เองไม่อยู่ที่ว่าเราจะไปเจริญอะไรถ้าเราเจริญสติเราก็จะได้สติถ้าเราเจริญสมาธิเราก็จะได้สมาธิถ้าเราเจริญปัญญาเราก็จะได้ปัญญา จริงๆผู้หญิงที่สนใจพระพุทธศาสนาที่สนทนากับพระสงฆ์ควรปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะเหมาะสมครับก็ควรจะสนทนาในในที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ในที่รับรับหูรับตาอยู่กันสองต่อสองตามหลักพระวินัยนะพระจะสนทนากับศีกามตามลำพังไม่ได้อย่างน้อยต้องมีผู้ชายอยู่ร่วมฟังด้วย เราอยู่ในที่ที่เหมาะสมก็อยู่ในที่เป็นที่สาธารนณะไม่ใช่ไปหดบอยู่ในห้องคุยกันนี้ญาติป่วยอาการหนักเข้าโรงพยาบาลจะชี้แนะเขาอย่างไรให้มีพระรัตนาไตรเป็นที่พึ่งทางใจครับญาติไม่ได้ทําบุญเลยครับก็อยู่ที่เขาพร้อมจะรับหรือเปล่าอชอบที่เราจะแนะนําเขาเขาจะรับหรือเปล่าต้องถามว่าก่อนอารัตนาไตรไหมเขาถามว่าอะไร เราจะทํายังไงเราตอ้องการหมอมากกว่าแล้วท่านเรับไม่รู้เรื่องพระราตนณต์ตายไหนหาหมอหายามาให้ฉันดีกว่าภาษาให้ฉันหายดีกว่าถ้าตั้งสัจจะแบบกลางๆเช่นจะเพียรพยายามหรือระลึกพุทโธให้ได้มากที่สุดแบบนี้ได้ไหมครับได้แต่มันไม่มันจะไม่ได้ผลเลยเพราะมันไม่มีกรอบไม่มี พรประมาณเราก็จะทําแค่แค่นิดหนึ่งก็ได้ก็ได้แล้วเหมือนมันถ้าเราต้องมีขีดเหมือนกับวิ่งอ่ะเราบอกว่าจะวิ่งเท่าที่เราวิ่งได้เราก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราเราต้องวิ่งได้สิบกิโอย่างนี้อเราก็บังคับแล้วต้องวิ่งให้ได้ถึงสิบกิโลให้ได้เห็นการบังคับให้มันการบังคับนี้มันต้องมีมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเป็นแบบลอยๆนี้มันก็มันก็จะ ไม่เลิกก็ไม่ใช่เป็นการบังคับนีจจ่ยชัตจักก็คือการบังคับตัวเราเองอยากจะทําจิตให้มันสงบครับแต่ทำไมยากจังครับอาจารย์เพราะเราไม่มีสติทำพยันจันทร์สติก่อนพยายามละเลิกพุโทโธไปทั้งวันให้ได้ก่อนฟังพระอาจารย์บอกเรื่องการกินมังสวิรัติหรืองดเว้นเนื้อสัตว์แล้วตัวโยมเลิกเลย แต่โยม ง, งดเว้นการฆ่าสัตว์ด้วยแม้แต่มดหรือยุงอย่างนี้โยมปฏิบัติถูกทางไหมครับถูกต้องนะจะได้บุญก็ต้องการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ไม่กินการไม่กินเนื้อสัตว์นี้ไม่ได้บุญ <c oughs> ทุกครั้งที่ไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดที่วัดแล้วพอกลับมาถือศีลห้าจะร้องไห้ทุกครั้งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับก็ถามตัวเองสิ คุณเป็นตัวของคนเคุณร้องไห้ก็ต้องหาสาเหตุให้เจอเราไม่รู้เรื่องว่าการร้องไห้มันมีหลายสาเหตุด้วยกันหลังกลับจากฟังเทศกลับมาเส้นเลือดในตาแตกเห็นแล้วก็ยอมรับว่าร่างกายเป็นภาระเป็นทุกข์ครับถ้าให้เราไม่ทุกข์กับมันก็แล้วกันยอมรับความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุด ตั้งใจนั่งสมาธิ20นาทีกับ2ชั่วโมงได้บุญมากน้อยต่างกันไหมครับอยู่ที่สงบไม่สงบนะบางทีนั่ง20นาทีแต่สงบนี้ได้บุญมากกว่านั่ง2ชั่วโมงแต่ไม่ไม่สงบเพราะบุญคือความสุขใจความสุขใจก็เกิดจากความสงบคนแก่หายใจแผ่วลงกําลังจะสิ้นใจ ลูกหลานที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆคุยกันไปถึงการวางแผนจัดงานศพอยากทราบว่าคนแก่ท่านนั้นยังรับรู้เรื่องที่ลูกหลานคุยกันหรือไม่ครับไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่สติของแต่ละคนบางคนอาจจะรับรู้บ้างบางคนอาจจะไม่รับรู้ก็ได้คุณศิริวิทย์ถามว่าพระอาจารย์เคยพบหรือสนทนากับเซียนสง่าเจ้าของวิหารเซียนไหมครับอไม่เคยพบกบตัวท่านนะครได้ยินชื่อเสียงของท่านอยู่ แต่เราไม่ค่อยเชื่อเขาอพวกนี้หรืออะไรเราก็ลเลยไม่ได้สนใจเรื่งองทำนายทายทักเรื่องโเหเห็นเรื่องงานอะไรโหจช่ยอะ น, นี้ในสายตาของพระปฏิบัติแล้วมั น, นมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องโรงงานแล้วกันไม่เข้าใจคําว่าโสดาบันครับอยากทราบครับอาจารย์ คำว่าโสดาบันคือคือผู้ได้เข้าสู่กระแสกระแสในที่นี้ก็หมายถึงพระนิพพานเหมือนกับเราเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมันก็จะพาเราไปสู่อ่าวไทยใช่ไหมไม่ว่าเราจะอยู่จังหวัดไหนอยุธยาอ่างทองที่ไหนพอเราลงเข้าไปลงเรือแล้วเรือนี้อยู่ในแม่น้ําเจ้าพยามันก็จะพาเราไปสู่อ่าวไทยในที่สุดทัในใดพอเราได้เข้าสู่กระแสแล้วกระแสธรรมนี้ก็จะพาไปสู่พระนิพพาน ใครไม่เข้ากระแสนี้เราไม่มีทางอื่นนะจะมุ่งไปสู่พระ น, นิพพานเพียงแต่ว่าชา้าเรื่องเดีวท่านเองถ้าเป็นพระโสดาบันนี้อย่างชา้าก็เจปีเจ็ดชาติแต่ก็ไม่ได้มาค้างต้องใช้เจชาติบางทีชาติเดียวก็ไปถึงได้ถ้าได้ขั้นที่สองก็จะไม่เกินหนึ่งชาติถ้าขั้นที่สามก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สามารถไปบรษย์พรนิพนพานในอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมวโลกได้ โยมตื่นมาทํากับข้าวใส่บาตรตอนตีสี่ชามืดวันอาสาฬหบูชาได้ยินเสียงเปรตมาร้องกรีดกรี๊ดกราบเรียนถามว่าวันอาสาฬหบูชาเปรตจะออกมาขอส่วนบุญได้เยอะใช่ไหมครับคุณรู้ใจง่ายมันเป็นเปรตมันจะเป็นเสียงอะไรสักอย่างก็ได้งั้เราไม่สามารถตอบได้หรอกมันก็เป็นวันวันธรรมดาวันหนึ่งที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาเท่านั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวกันว่าเปรตจะออกมาหรือไม่ออกมา แต่ดมัน อ, อมาตลาดเวลามันหิวเห็นแต่เรามีมีญาณอย่างทราบได้จริงๆหรือเปล่าแค่นั้นเองอาจจะเป็นอุ ป, ปทานของเราก็ได้ทําอย่างไรจะทําให้เห็นผู้รู้ว่าไม่ใช่เราครับอผู้รู้ไม่ใช่เราก็ตอนที่เข้าสมาธิไงพอจิต น, นิ่งก็จะมีแต่ผู้รู้เฉยๆนะไม่มีเราอยู่ในผู้รู้ ภรรยาใหม่กับลูกติดของเราไม่ถูกกันเพราะมีน้าสาวเขาให้ท้ายแล้วอย่างนี้ผมควรวางใจอย่างไรครับได้ความเมตตาไปสงสารเขาให้ความเมตตากับเขาไปอย่าไปกอดเขาอย่าไปเกลียดเขานั่งสมาธิและสวดมนต์จะแปลงเป็นเงินและอาหารในโลกทิพย์ได้ไหมครับ ถ, ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นความสงบถ้าถ้าเป็นผลก็ได้อยู่ ในโลกทิศก็คือความความสงบนี้นจะเป็นอาหารของใจเป็นความสุขของใจกายปสัสสทธิในขณะภาวนาในรูปแบบคือการที่รู้กายแบบต่อเนื่องคล้ายๆตัวรู้เคลือบร่างกายแบบเบาๆความคิดลดลงใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่<อ>เพราะไม่ได้เรียนภาษาบาลีมาเนี่ยมันก็ต่อ การนั่งสมาธิภาวนาคําว่าพุทโธไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ถึงจะหยุดพุทโธได้ครับเมื่อจิตนิ่งสงบเมืม่อจิตรวมลงเมือตกตกองลงมาจากที่สูงเวลาจิตจะรวมเนี่ยถ้าเราใช้พุทโธเนี่ยมันจะรวมแบบตกลุ่มตกเบอตกเขียวแล้วพอมันอมันตกลุมตกบบาตกเขียวปั๊บมันด้หยุดพุทโธใจก็จะนิ่งสงบ ม, ม, มีความสุขมันต้องทําอะไร เราทำบุญวันนี้แต่กรวดน้ำหลังจากนั้นอีกสามวันอย่างนี้ผู้ตายได้รับไหมครับเขาอาจจะไม่รอนรับเราก็ได้ไม่รู้เห็น น, นะแล้วแล้กรวดได้แต่จะไปถึงนั้นไม่ไปถึ ง, ถงนั้นก็อยู่ที่ผู้ผู้ผู้ตายว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าเวลานั่งสมาธิทําไมจึงคิดนั่นคิดนี้จะทําอย่างไรถึงจะไม่คิดได้ครับเพราะไม่มีสติไงต้องฝึกสติฝึกกรรมวิกรรมพุทโธให้มากมกก่อนที่จะมานั่ง คนที่เข้าไปบวชพระเมื่อเพื่อหวังตั้งตัวเก็บเงินแล้วออกมาใช้ชีวิตในทางโลกเงินทำบุญที่ได้ไปจะเกิดกรรมต่อผู้ทำบุญไหมครับผู้ทำบุญได้บุญอยู่แล้ว<อ>ก็มีความบริสุทธิ์ใจว่าเราทำบุญกับพระสนับสนุนพระให้ทําได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแต่บาปนี่มันจะอยู่กับพระผู้ที่ผู้ที่ไปหวังผลประโยชน์จากจากจา ก, จากการเป็นพระเ<อ>พะื่อทยาว เราเอาเงินนินมาใช้ประโยชน์็นทางโลก็นทางส่วนตัวครับถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ทานศีลปฏิบัติได้ดีแต่ภาวนายังทำไม่ได้ดีเลยอยากขอวิธีปฏิบัติเบื้องต้นแบบง่ายๆครับกาลํากำหนดว่าทุกวันก่อนนอนเราจะนั่งสมาธิสิบห้านาทีหรือห้านาทีก็สุดแท้แต่กำลังแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมา ท่นอย่างนั่งขึ้นมาต้อนั่งสมาธิก่อนต้องมีการกําหนดเวลาไว้ก่อนแล้วบังคับตัวเราให้ให้ทําตามที่เรากําหนดไว้ไม่ว่าตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วการจะนั่งได้ผลดีไม่ดีก็อยู่ที่กําลังของสติของเราที่มีอยู่ถ้าเรายังนั่งไม่ได้เลยเราก็ต้องพยายามฝึกสติทั้งวันให้ได้ก่อนพยายามมาันเรื่อยถึงพุโทโธพุโทโธในในระหว่างมันไม่ว่าเราจะทําอะไร ถ้าเราไม่ต้องใช้ความที่ก็ให้พยายามเราเลิกถึงพุทโธพุทโธหยุดความหยุดความคิดอย่างอื่นที่ไม่จาเป็นไปขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในเฟซเจ็ด้อย้าสหในยูเจ็ด้อยห้าสิบหกในครับ1ิบในติ๊กตอกห้าอยสิบเกนะครับรวมสองพกับแปดสิบห้าคนครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลา2 0นาฬิกาสิบ้านาทีพระอาจารย์ตอบไปหนึ่ง้อสิบกคำถามนะครับ ก็หวังว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมแสดาธรรมไม่มากก็น้อยและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลยิ่งๆขึ้นไปการแสดงธรรมสาหรับวันนี้การแสดงธรรมสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพลิดิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอา ก็เช่นเคยถ้าไม่มีเหตุขัดข้องใดก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพรกราบขอพระพุณพระอาจารย์ครับ